ก่อนหนึ่งก็ขอต้อนรับเครือข่ายนคะรชัยบุรีอย่างเป็นทางการนะเพราะว่าวันนี้ก็มากันครบและนะ้วพวกเรานะก็เป็นผู้ที่ทำงานที่มีคุณค่ามากนะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนนุชที่ประสบความทุกข์ ความทุกข์บางอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติของสังขารก็คือว่าเจ็บป่วยเมื่อถึงวัยนะความทุกข์บางอย่างก็เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกมากรนะทำอย่างที่ยังไม่ควรถึงแก่เวลานะเช่นอุปัติเหตุเงียเมื่อรวมถึงการทำร้ายตัวเองหรือว่าถูกผู้อื่นทำร้าย และสิ่งที่เราทําก็คือพยายามที่จะช่วยฟื้นฟูนให้เขากลับมาเป็นปกติในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนอกจากการดูแล ร, รักษาร่างการของเขานะให้กลับมาทํางานได้เหมือนเดิมซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สึกหรอนะให้กลับมาเป็นปกติ ส่วนของใจก็สำคัญนะก็ะคือการช่วยเยียยารักษาหรือว่าให้กำลังใจกับเขาเพราะว่าใจนี่ก็มีส่วนสำคัญนะในการฟื้นฟูกายและในทางตรงข้ามนะใจก็สามารถที่จะทำให้ร่างกายย่ำแย่หรือสุดร่างกายให้ ตกต่ำลงได้อันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ภาัะของเรามากขึ้นนะเพราะว่าเปียแค่ดูแลกายนี่ก็เราก็แทบจะไม่มีเวลาอยู่แล้วนะเราจะดูแลใจจะทำได้อย่างไรแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยสองอย่างนี้เนี่ยมันก็มันทำได้กัน ควคู่กันไปได้เสมอนะก็คือว่าดูแลกายไปนะก็สามารถที่จะดูแลเยียวยาจิตใจได้ด้วยนะเช่นระหว่างที่เราทำพัฒการถ้าว่าเราโอภารภาษัยกับเขายิ้นแย้งให้กับเขานะพูดคุยสนทนากับเขานะอันนี้เนี่ยมันก็ ทำให้เขาเนี่ยพอยมีจิตใจสบายนะบางทีไม่ทำการตัการเลยนะเพียงแค่เขาเห็นหน้าเรานะเห็นใบหน้าที่ยิ้มยกแกิแจ่มใสนะหรือว่าได้มีความสัมพันธ์กันมามีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมาเพียนงะแค่ก็เห็นเขาก็รู้สึกดีขึ้นแนละ้ว มีนายแพทย์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อมากนะเขาเป็นชาวแคนาดาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการแพทย์แผนใหม่เขาชื่อว่าวิลเลียมออสเลอร์พหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเซอร์นะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการแปลหนังสือเล่มนี้สนทิมหมอชาวบ้านทิมนะสามเล่ม น, นะขนาดเท่านี้เลยนะเป็นกล่องเลยนะ สามเล่มเนี่ยเล่มละพันบาทนตาโอเห็นแล้วโอนะแต่ว่าน่าอ่านนะถือแม่ตมาจะงไม่ได้อ่านแต่ว่าเท่าที่ได้ติดตามเรื่องราวของโซงลีบัสเลอร์เนี่ยเขเป็นคนที่น่าสนใจเพราะว่าเขานะไม่ได้ยิยวยาร่างกายของคนไข้นะแต่ว่าเขาสามารถที่จะทำให้จิตใจคนไข้ดีขึ้นได้ด มีเรื่องเล่าวว่าเนี่ยคนไทยเนี่ยพอแค่เห็นเซอร์วินเลียดเนี่ยนะมาที่วอร์ดนะมาที่หอผู้ป่วยนะแค่คนไขยเห็นหน้าคนไทยก็สุดดีขึ้นแนละ้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีแววตาแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถคนไทยก็ไว้วางใจนะมีความทุกข์มีความเจ็บปวดยังไงถ้าเห็นหน้าหมอคนนี้ก็รู้สึกว่านะเดี๋ยวคงจะได้รับการเยวยาแนละ้ว เดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันก็ทําให้เขาดีขึ้นไปโดยปริยายโดยที่ไม่ทำการทำนาตการหรให้ใหยาเฮ้ยในเร่างมันไม่ใช่ให้การดูแลจิตใจมันไม่ันไม่เป็นต้องมันไม่เป็นต้องเสียวเวลาเลยนะเพราะว่าเพียงแค่ปกติเราการที่เราเดินมาจากหอผู้ป่วยไปที่เตียงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วนะหรือว่าในคระที่เราทำนาตการเนี่ย เราก็แทนที่จะดูแลแค่การแล้วก็ใส่ใจใจิต ใ, ใจเขายิ้ให้เขาสนทนากับเขาเนี่ยมันก็ช่วยเขาได้เดนมากทีเดียวยแล้วก็ตามเนี่ยนะที่คุณหมอตู้ได้พูดนะันก็คือว่าเวลานี้เนี่ยการดูแลรักษาคนไข้เนี่ยมันกลายเป็นว่า ช่วยเยียวยาผู้ป่วยแต่ว่าความทุกข์เนี่ยกลับเพิ่มพูนขึ้นนะกับผู้ที่เยียวยาผู้รักษาทีจริงอันนี้มันก็มีความสัมพันธ์กันนะในแง่ที่ว่าความทุกข์ของผู้เยียวยาเนี่ยจะอัตมาเชื่อว่าจะ จะลดลงถ้าเกิดว่าได้ได้เพิ่มมิติทางจิตใจในการเยียวยาคนไข้การเพิ่มมิติทางจิตใจในการเยียวยาคนไข้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระซึ่งหมายถึงการเพิ่มความตุภัสร์กับผู้เยอยวยาแต่ว่ามันสามารถที่จะช่วยทําให้นะ เกิดความชุ่มชื่นในจิตใจแก่ผู้เยียวยาได้เพราะว่าทันทีที่เราัมีความเมตตาอยากจะมีความใส่ใจกับจิตใจของเขาอยากจะช่วยเหลือเขาเนี่ยทันทีที่เราตั้งใจที่จะเพิ่มมิติทางจิตใจลงไปในการเยียวยาผู้ป่วยหรือผู้ง่ากลัวใส่ใจลงไปในการ เยอะยาเขาเนี่ยไม่ใช่ให้แต่ยานะแต่ว่าเอาใจของเราใส่ลงไปด้วยใจที่มีเมตตาเนี่ยไอ้ใจนั่นแหละนั้นก็ส่งผลต่อต่อจิตใจของเราเองนะมีมีหมอฝึกใหม่คนหนึ่งนะแกเราประสบการณนะ์ซึ่งจะเรียกว่าเปลีป่ยนแปลงชีวิตแกก็ได้นะ เธอได้เข้าเวรดึกนะวันหนึ่งเนี่ยเข้าตึขึ้นเวนดึกแล้วก็ขณะที่กําลังคุยกับพยาบาลนะสอบถามอาการกงครงไข้รวมๆเนี่ยก็ดีนเสียงขย่าเตียงกลางดึกเลยนะก็เลยถามพยาบาลว่าเสียงมาจากไหนคนไข้เป็นอะไรพยาบาลบอกว่ามาจากในเตียงนะ เตียงเป็นปอดบวมแล้วก็เมื่อการเวลา น, นั้นต้องก็ต้องใส่ท่อเมื่อใส่ท่อแล้วเนี่ยก็ต้องมัดต้องมัดมือแกไวเพราะไม่งั้นเนี่ยแกก็จะดึงท่อออกมาพยาบาลนะักแพทย์แพทย์ไนะหม่คนนั้นเนี่ยด้วยเลยเดินไปหายอเตียงแล้วก็ถามว่า ยายเหนื่อยเหร อ, อยายเตียงก็สั่นสั่นหัวยายหายใจไม่สะดวกเหรอแกก็สั่งให้ยายเป็นอะไรแล้วนะ พ, พออ่อก็ถามยาลำคาญใช่ไหมลำคาญยาลำคาญพ่อใช่ไหมยายอยากจะดึงมัออกมาใช่ไหม จะก็ใช่อยากให้หมอถอดถอดแก้ผ้าที่ที่มัดมือไว้ใช่ไหมแต่ก็ขี้อย่างแกพูดพูดไม่สะดวกหมอก็บอกว่าทําให้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าถ้าถอดเนี่ยถ้าแก้เชือกแก้ผ้าแก้ผ้าที่มัดมือเนี่ยนะแล้แกก็ไปดึงดึงท่อ แล้วดึงท่ออมาก็ต้องใส่เข้าไปใหม่ใส่แต่และครั้งเนี่ยมันปวด น, นะยายก็รู้ใช่ั้มแกก็รู้ฉันหนูก็นะอ่าถอดผ้าชุ่มัดมือยายไม่ได้นะพอนนี้อ่แค่นี้แกก็ขยาวเลยนะขย่าวเตียงมองด้วยทำยางไงก็เลยกลุ่มมือแกไว้อะ แกก็ยอมให้กลุ่มนะแล้วก็สัพักแกก็มองมอที่หมอพอหมอสบตาแกเนี่ยหมอก็สังเกตว่ามันมีแววอะไรบางอย่างก็งเลยถามยายว่ายายยายเหงาใช่ไหมเหงาคือแกไม่มีใครมาเยี่ยมกันเลยนะเป็นยาย อย่างที่เราเห็นในหมู่บ้านตามหมู่บ้านต่างๆทั่วไปเนี่ยนะไม่มีใครมาเยี่ยมยายเลยรู้สึกเหงางั้นเดี๋ยวหนูจะอยู่เป็นเพื่อนยายนะแล้วเธอก็นั่งเป็นเพื่อนบอกว่ายายนี่หยุดขยับ เ, เตียงเลยน ะ, สะแสดงว่าที่แกว่าลำคาญเนี่ยนะ แกไม่ได้ลาคาง ท, ทางกายนะแกลาคางที่ใจใจจะเป็นทุกข์นี่มีแทนเยี่ยมเชื่อก็ยังเอามือก็ยังถูกมัดอยู่นะท่อก็ยังคาอยู่แต่ว่าแกไม่ที่ยาวแล่ะเพราะมีเพื่อนนะมันนั่งมีหมอมันนั่งเป็นเพื่อน หมอไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ผ่าตัดการไม่ได้ให้ยาเลยนะแค่นั่งเปิดเพื่อนอัตมาเชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันไม่มีไ ม, มไม่มีอยู่ในตําราการแพทย์นะเพราะว่าตําราการแพทย์บอกว่าเนี่ยถ้ามีเคสแบบนี้เนี่ยมันต้องทํามันต้องทําะไรทุกอย่างนะให้ยาทํา่าตัการอะไรไปแต่การเปเพื่อนของหมอเนี่ยนะมันมีผลต่อจิตใจนะของยาย หมอก็นั่งจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องลงเวรพอหมอลุกแล้วก็เดินเดินมลไม่กี่ไม่กี่ก้าวนะไม่ไม่ทันจะถึงประตูเลยนะแกก็ขยิบ อ, อีกนะหมอก็เลยกลับมาแล้วบอกว่ายายตอนที่มันถึงเแล้วนะคนจะนอนไม่หลับ ก, กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยหมูจะมาเยี่ยมยายใหม่แก ห, หยุดเลยนะ แกไม่คื อ, อยาวยเลยแล้วแต่มาช่วว่าคืนนั้นคือแกต้อไม่คื อ, อยาวยเพราะแารสึกว่าเออไม่เหงาแลว้วกัวนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนมาเยี่ยมนะหมอคนนี้เนี่ยแกบันทึกว่าดูเหมือนว่าเนี่ยสิ่งที่แกทําเนี่ยเป็นการช่วยยายแต่ที่จริงแล้วเนี่ยยายก็ช่วยแกได้เยอะมันน้ามัน มันทำให้จิตใจที่แห้งผ่าของของเธอเนี่ยมันชุ่มชื่นขึ้นนะมันชุ่มชื่นด้วยอะไรนะเธอไม่ได้บอกนะจตัตมาก็ดาวาไาเป็นความชุ่มชื่นด้วยเมตตากรุณาคือพอเธอได้ได้มีใจให้กับยายเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเมตตาความสุขก็เกิดขึ้นนะอย่างที่ตมาผู้มชานว่ากุศลธรรมเนี่ยมัน มันเป็นที่น้องกันเวลาคุณมีความสุขคุณก็อยากจะมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นนะเวลาคุณมีความสุขใจคุณก็เป็นสมาธิได้ง่ายนะเวลาคุณมีความสุขคุณก็อยากจะมีความภาคภียิพยายามเกิดวิริยะขึ้นมาในความเดีกันถ้าเกิดว่ามีเมตตากรุณาต่อใครเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเกิดเท่าว่าเนี่ยสิ่งที่ หมอทำเนี่ยนะมันไม่ได้ช่วยยายเท่านั้นนะมันกลับมาเยียวยาช่วยเหลือจิตใจของหมอด้ว ย, นะยนั่นเห็นได้ว่าการการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะมันมันก็ส่งผลต่อการช่วยเหลือจิตใจของเรากรองกราจิตใจของเราทำให้ใจเราสงบเย็น อันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมจะรับความสุขนะการให้ทานในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีความสําคัญเราถึงเรียกว่เาเป็นการทําบุญเพราะว่ามันไม่เป็นแบบกู้เกื้อกูลผู้นั้นๆะแต่ว่ามนยังทําให้ใจของผู้กระทําเนี่ยมีความสุขและสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยคือบุญแล้วแล้วก็ตามที่เรามีความสุขเพราะเราได้ทําความดีนั่นเรียกว่าใจเราเป็นบุญแล้วนะ บุญเป็นชื่อของความสุขอันนี้พระเจ้าจัดไว้บุญเป็นชื่อของความสุขคนไม่เข้าใจว่าทําบุญแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะบุญบุญจะรอเราอยู่ข้างหน้าจะทําให้เราล่ํารวยทําให้เราเงินเดืนขึ้นหรือทําให้เราถูกหวยรวยเบอร์ไปคิดว่าถ้าเราทําถวายเงินเยอะๆนะใส่บาตรมากๆเดี๋ยวบุญก็จะสะสมพ่อข้อคูณเหมือนกับ เงินในธนาคารก็ไปเชื่อบุญเนี่ยมันอยู่ที่ไหนสักแห่งนะที่มันจะเพิ่มพูนมากขึ้นเหมือนกับเงินในธนาคารนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะบุญมันพิจัยนะเมื่อเราทำความดีเมื่อเราเกือเก้อกูลูอนเนี่ยใจเราเป็นสุขนะอันนี้เรียกว่าบุญกนะินอาสานี่นะมันมันมีความหมายตรงนี้นะ พุทธิจอาสาเนี่ยนะก็มันมีคําที่ใกล้ๆกันก็คือจิตสาธารณะจิตสาธารณะกับจิตอาสานี่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันทีเดียวจิตสาธารณะก็หมายถึงว่าจิตใจที่รู้สึกใส่ใจห่วงใยต่อส่วนรวมส่วนรวมนะ่า จ, จะเป็นโรงพยาบาลอาจจะเป็นหมู่บ้านตำบลหรือว่าสังคมหรือว่าโลกใบนี้ก็ไดนะ้เมื่อเป็นห่วงแล้วเนี่ย หรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นของเราเราเป็นส่วนของของเขาเนี่ยกด็ดูแลใจใสนะเช่นดูแลสะอาดนะมีคนทิ้งขยะ ก, ก็เก็บขยะนั้นขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยตามหมู่บ้านมีตู้โทรศัพท์สาธารณะนะก็ดูแลรักษาเอาไว้นะไม่ปล่อยให้มันสุดโทรมดูแลใส่ใจ สมบัติของส่วนรวมถ้าเป็นโรงพยาบาลก็อาจจะดูแลเรื่องน้ำไฟนะมันจออกเรืองพฤติกรรมการอนุรักษ์น้าไฟในโรงพยาบาลหรือว่าเห็นใครเขาเปิดไฟทิ้งไว้นะก็ไปปิดนะใครเปิดน้าทิ้งเอาไว้ก็ไปปิดนะปิดก๊อกนะหรือว่ามีความเห็นรู้สึกว่ามันได้ปรับปรุง ตรงนั้นตรงนี้ก็อาจจะแสดงความเห็นนะเรียกว่าเอาใจใส่ไม่ดิ่งดูดายนะส่วนจิตอาสาเนี่ยนะมันอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะว่ามีความห่วงใ่ส่วนรวมก็ได้อาจจะเป็นเพราะมีความห่วงใ ย, ยเห็นใจเพื่อมนุษย์ด้วยกันนะเป็นคนที่เดือดรอนอยู่ข้างหน้า ก็เข้าไปช่วยนะจิตสาธารณะเนี่ยมันเราเป็นเรียกว่าเราเรียกว่าจิตสำนึกทางสังคมก็ได้หรือถ้าเป็นชาสองคนนั้นเป็นประเทศก็จะเป็นจิตสํานึกทางการเมืองนะส่วนจิตอาสาเนี่ยมันอาจจะเป็นจิตสํานึกทางนุษยิธรรมมันไม่เหมือนกันทีเดียวนะจิตสำนึกทางสังคมกับจิตสำนึกทางลุทยิธรรมจิตสำนึกทางลุษยิธรรมเนี่ยนะก็ อยากจะช่วยเหลือคนที่ตกพื้นยานะแต่จิตอาสาก็อาจจะเกิดจากการที่เห็นส่วนรวมนะมีปัญหาเช่นเห็นว่าโลกนี้เนี่ยมันกำลัง เ, เกิดวิกฤตทางธรรมชาติก็ไปปูป่านะคนขา้ปูป่านะหรือว่าไปช่วยกันทำให้แม่น้ำลคลองมันดีขึ้นนะ นี่ก็เป็นจิตอ า, าสาเดียวกันเป็นจิตอาสาเพราะมีความสํานึกทางสังคมนะมีความห่วงใยโลกแต่จิตอาสาหลายคนเขาก็ทําด้วยแรงจูงใจอย่างอื่นนะเกิดจากเมตตากรุณาล้นลวนนะแล้วก็จิตอ า, าสาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาแสดงออกโดยการเข้าไปช่วย เข้าไปลงมือทาหรือเข้าไปช่วยทำให้คนที่ตกทุกข์ได้ยานี้ดีขึ้นกิจสารานอาจจะแค่เขียวบทความนะเขียนบทความลงหนังสือพิมพนะ์ชี้ช่องควรจะปรับปรุงนะอย่างนั้นอย่างนี้แนะสดงความเห็นเพื่อทำให้บ้านเมืองันดีขึ้นหรือจะวิจารณนะ์ด้วยความรู้สึกทุกข์ร้อนนะต่อ ความเป็นแปลงของบ้านเมืองที่กำลังย่าแย่นี่ก็ก็เป็นเรื่องจิตสาธารณะแต่การทําอย่างนั้น เ, นเขียนบทความเขียนจดหมายนะแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่จิตอาสานะจิตอาสาเนี่ยมันเป็นลักษณของการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กําลังเดือดร้อนอยู่ต่อนหน้าตาตาจะช่วยอย่างไรก็แล้วแต่คนนี้ การช่วยเนี่ยนะอย่างที่เรามาบอกบอกไว้แล้วว่าถ้าถ้าระวังใจเป็นเนี่ยการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็จะกลับมาที่ตัวเราด้วยช่วยผู้อื่นก็เหมอนก็ช่วยตัวเองก็คือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเรา คนหลายคนคิดว่าการไปติดอาสานี่คือการเสียสลักนะอันนี้ก็มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปติดอาสานี่ก็ได้เยอะนะไม่ใช่แค่เสียนะอาจจะเสียเวลาอาจจะเสียเงยินเสียทองบ้างเสียเงือ่อนะแต่ว่าได้หลายอย่างที่มีคุณค่ามากกว่า มีคนหนึ่งเนี่ยนะแกเคยมาปลูกป่าที่ภูหลงตอนที่แกมาก่อนที่จะมาปลูกป่าเนี่ยแกก็มายืนอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็มองออกไปก็เห็นต้นไม้สูงๆไม่กี่ต้นยืนโดดเดอยู่กลางทุ่งนะ แกรู้มาว่าที่นี่เนี่ยเคยเป็นป่าที่ทึบนะแต่ตอนนี้เหลือป่าเหลือต้นไม้นะสูงๆไม่กี่ต้นแต่นะเขาก็หอเหี่ยวนะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะเหมือนกับเป็นย้าเป็นย้าที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะรอแต่ให้คนมาเหยียบย่าง แต่ในการที่ได้ไปปลูกปา่านะราปลูกปานี่ก็เหมือนกับมาทำไข้าย่น้อยนะก็คือว่าอยู่วัดประมาณ2คืน3วันไปปลูกปา่าแถวกุสิบเเมื่อวัน7จปีก่อนโอก็ทุลักทุเลมากนะฝนตกนะประมาณช่วงนี้นะฝนตกแล้วก็ที่หลับที่นอนก็ลำบากนะแต่ว่าหลายคนรู้สึกสนุก วันสุดท้ายเนี่ยก่อนกลับแล้วก็มาตั้งวงคุยกันที่ศาลาเพีงคนนี้แกก็เล่าแกประมาณยีสิบสามสบกว่านะแกก็แกแ ก, แก็เล่าความในใจเรว่าเนี่ยตอนที่มาวันแรกเนี่ยแกรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกเหมือนยา่าคุมมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเรื่องไม่มีแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ไร้พลังรามสักว่าเป็นยา่าเพอะไร้พลังทำอะไรไม่ได้ตอนแต่เขาเจ็บยา่า แต่วันนี้เนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่มันต่างกันเลยนะระหว่างหญ้ากับต้นไม้เนี่ยคือความสู้ว่ตัวเองมีพลังรู้สึกาตัวเองไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทาให้โลกมันดีขึ้นได้รู้สึกมีพลังกาลังขึ้นมารู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอันนี้ถ้าเรียกกบภาษาฝรั่งก็ e อ p o w e r นะมันมันช่วยมันการทำจิตอาสาเนี่ยมันอ ทำให้ตัวมีพลังแทนที่โจสดวาฉันทำอะไรไม่ได้นะก็เลยงอมืองอเท้าแต่พอเริ่มเริ่มขยับเริ่มทำอะไรสักหน่อยนะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะแล้วคนที่มีความสุขแบบนี้เนี่ยนะตราเชื่อว่าเขาจะมีความมั่นใจเขาจะไม่ถูกกระทำจากสิ่งวี่ร้องง่าย พเราบางทีอยู่โรงพยาบาล น, นะเราส่วนคเราทำอะไรไม่ได้เลยนะปัญหามันเยอะเหลือเกินนะแล้วเราก็หมดเรื่องหมดแรงแต่พอเราลองได้ทําอะไรสักอย่างเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยเนะี่ยและมันได้ผลเกิดความเปลี่ยนแปลงนะเราจะมีความมั่นใจในตัว เ, เองมากขึ้นว่านะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นแค่หญ้าไม่ใช่แค่ต้นหญ้าแต่เราเป็นได้มากกว่า น, นั้น ที่อาสาเลายคนก็พวกความเปลี่ยนแปลงในแง่อีกนะนะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกอายุสิบสี่นะแกชื่อน้องไดนะ้ก็มีคนชวนไปเป็นที่เลี้ยงบ้านปักเกรดนะชื่อเต็มยดว่าสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนนะบ้านปักเกร็ดนะมันทีสารสงเคราะห์ เด็ดอ่อนเยอะแล้วจากที่เธอไปเป็นจิตอาสาเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งประมาณสักสองสมเดือนได้แม่บอกว่าเนี่ยเออน้องได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปใจเย็ยนมากขึ้นนะรับฟังมากขึ้นแล้วก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจมากขึ้นคือแต่ก่อนที่วูว่วาม แต่ก่นแม่พูดอะไรก็เถียงยไม่เคยได้ใช้ความคิดไม่เคยได้ใช้ผลน้องได้ก็บอกว่าเนี่ยที่เขาเปลี่ยนการที่เยนเพราะอย่างนี้เ น, นะเพราะว่าเวลาเขาไปเลี้ยงเด็กเนียเขาต้องอดทนความตั้งใจจะช่วยเลี้ยเด็กเนี่ยมันทำให้เขาต้องอดทนเพราะเด็ก น, นี่ก็มีลักษณะหลายแตบ แล้วก็ความแตกต่างของเด็กเนี่ยนิสัยใจคอแตกต่างก็ทําให้ได้เข้าใจนะเพราะว่าพอรู้ภูมิหลังของเด็กเนี่ยเช่นเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกทอดทิ้งบางคนกถูกทิ้งที่ขยะะบางคนก็ถูกทิ้งที่โรงพยานะ บ, บ, ยบาลบางคนแม่ก็เอามาให้เพราะวแม่ลิ้มเลื่อนหวา น, นเด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะบางรุ่องงองแง่ไม่น่ารักแต่ว่าพอรู้ถึงภูมิหลังของเด็กเหล่านี้ก็ทําให้เธออดทน แล้วก็เธอทำให้เธอเนี่ยเข้าใจเพื่อนบางคนนะทำไมเพื่อนบางคนชอบโกหกนะทไมเพื่อนบางคนชอบคุยโม้นะแต่ก่อนเธอก็รําคาญ น, นะแต่ตอนนี้เข้าใจแนละ้วอนีเป็นกิดความเปลี่ยนแปลงของเด็กนะแค่เนะี่ยคือเขาอ่ามีความใจเย็นมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นมีชายหคนหนึ่งประสามสิบเศษเนะี่ก็เป็นทาธุรกิจนะ จะก็ไปเป็นพี่เลี้ยงนะบ้านออกเด็จเหมือนกันความเปลี่ยนแปเกิดขึ้ น, นคล้ายๆกันนะก็คือว่าแตะก่อนนี่แกคุ้นหันพันล่นโวยวายใส่ลูกน้องแต่พอมาทำงานเป็นจิตอาสาแล้วเนี่ยเพื่อนๆหรือลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่าแกเปลี่ยนไปพูดจานุ่มนวลขึ้นรื่นหูมากขึ้น เพราะอะไเพราะว่าไปเจอเด็กนะเจอเด็กเนี่ยแกก็บอก ว, ว่าเนี่ยเด็กเราจะพูดเสียงแข็งก็ไม่ได้นะเราจะตะคอกก็ไม่ได้นะแกนเนี่ยก็เป็นคนที่สายดีพูดเสียงแข็งชอบตะคอกกับรูกน้องแต่พอมาเล่นเด็กเนี่ยนะก็ต้องใจเย็นก็ต้องค่อยค่อยพูดค่อยคยจาต้องอดทนนะพอไม่งั้นเนี่ยเด็กเขาไม่ทําตามหรือว่าเด็กเขาจะร้องไห้ ไอ้ใจที่นึกถึงคนอื่นเน่ยเช่นใจที่นึกถึงเด็กเนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวนะเพื่อช่วยเขาและการปรับตัวเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเราเองนะเพราะว่าพอมันกลายเป็นนิสัยใหม่เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขได้ง่ายขึ้นนะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะก็ราบรื่นมากขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์ของหลายคนนะที่พอเขาเป็ น, ปนระจิตอาสาเนี่ยเขาพบว่า มันมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของนิสัยใจคอนะซึ่งในแง่นี้ก็คือมันช่วยลดอัตตานะเพราะว่าอัตตาความหมายนะันคือว่าทําตามใจทําตามอารมณ์นะแต่พอมาช่วยเหลือดูแลเด็กเนะี่ยก็ต้องเอาความรู้สึก ข, ของตัวเองเป็นหลักน้อยลงนะคำนึงคนอื่นา ม, มากขึ้น อันนี้ก็เลยเป็นการลดอาตาัตรามีเด็กคนนึงน่าสนใจเป็นวด้วุอายุสิบเกไปไปจิตอาสาเหมือนกันนะ แ, ะแล้วแกก็เป็นคนที่ค่อนข้างเกเรนะแต่ไม่รู้ยังไงนะเพื่อนโปติแกเป็นคนชอบเที่ยวนะเที่ยวเล่นแต่เป็นซัมเมอร์นั้นเนี่ยเพื่อนไม่เพื่อนไปเมืองนอกกันแกเลยเคลย์ไม่มไรู้จะทำก็เลยมีคนชวนไปเป็นที่เลี้ยงเด็กจนะกะ็ไป แกเพราะความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะคือแกยังเป็นเต็กกาพร้าแล้วก็ตัวตัวเองเนี่ยไม่เคยมีใครรักไม่เคยมีคุณค่าแกมีอยู่กับลุงนะแกก็รู้สึกว่าแกเป็นที่รักของใครเลยข้อมาเท่าไรก็เรียนแบบ ไม่ตั้งใจเรียนคิดแต่จะรอเพื่อนนะเมื่อไหร่เพื่อนจะพาไปเที่ยวไม่รู้สัวตัวมีคุณค่าแต่พอมาเป็นที่เลี้ยงเด็กเนี่ยจะเพราะว่าเด็กเนี่ยช่วยเติมเต็มนะเด็กเนี่ยรักแกมากเลยห่วงแกไอ้ความรักที่เด็กให้เนี่ยมันช่วยเติมเต็มหัมวใจแกนะที่เคยว่างเปล่านะ คือสึวไม่มีใครรักเนี่ยไ้รู้สึกตัวนี่เป็นที่รักแล้วก็ช่วยทำให้ตัวเอง ม, มีคุณค่าขึ้นมาไอ้ความสึกไม่มีคุณค่านั้นก็ทําให้ชีวิตอ้างว่างแล้วก็เหงาได้ง่ายแต่พอรู้สึกเราไม่มีคุณค่านะเรามีความหมายต่อเด็กเด็กคนหนึ่งนะเขารอเขารอเราเขาเห็นหน้าเราเขาก็เรียกว่าพ่อเขาวิ่งมาหา โอมันมันให้ความรู้สึกว่าเราได้มีคนรักนะความรักการเติมเติมจิตใจแล้วการเติมเติมในเรื่องความรักแล้วสูวตัวมีคุณค่าจะบอกว่าเนี่ยชีวิตผมเนี่ยสมบูรณ์ได้เพราะว่าเด็กอายุเจ็ดขวบนะชีวิตผมสมบูรณ์ได้เพราะเด็กอายุเจ็ดขวบแกให้ความรักกับเด็ก แล้วแกก็คิดว่าก็เพียงเพื่อช่วยเด็กนะแต่ว่าเด็กเนี้ยให้ความรักกับแกกับคืนมาแล้วมันก็เลยเติมเต็มหัวใจของแกอันนี้เป็นความเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะจากการที่ได้เป็นจิตอาสาความสุขว่าชีวิเราแต่ละจิตใจเราแต่ละการเติมเต็มนะทั้งความรักและความสุขมีคุณค่า ถ้สักคนที่รู้สึกพร่องเนี่ยนะจิตอาสานี่ช่วยได้มากทีเดียวและใครกันคนที่สึดล้นเกินนะจิตอาสาก็การบอาสานี่ก็ช่วยได้เหมือนกันไอ้ที่พูดมาเนี่ก็เป็นจิตอาสาและสัตว์การที่ไปช่วยนะช่วยทำนัน่นทานี้ให้เขาแต่ที่จริงเนี่ยเพียงแค่มีใจที่จะช่วยเขานี่ นะแล้วก็ไปเป็นเพื่อนเขาเนี่ยอาตมาว่าก็มีประโยชน์นะแล้วก็มีคุณค่าด้วยจิตอาส า, ศาศนี่ไม่เลยว่าจะต้องไปไปทำร้ายแบบเขาไม่ปลูกป่าหรือว่าไปช่วยเยียวยาใครในทางร่างกายก็ได้เพียงแค่ว่าไปเป็นเพื่อนเขาอาส า, ศาศไปเป็นเพื่อนเขา เพื่อนทําอะไรนะเพื่อนก็แค่รับฟังเขารับฟังเป็นเพื่อนคุยนะอาตมาว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องการมากนะโดยเฉ พ, เพาะในในบริบทของพวกเราเนะีคือโรงพยาบาลนะซึ่งมีผู้ป่วเยเยอะไอ้เรื่องหัตถการนี่ก็มีพยาบาลทําอยู่แล้วนะแต่ว่าสิ่งที่อาจจะยังมีน้อยไปหรือขาดไปก็คือการที่ มีคนเนี่ยอาสามาเป็นเพื่อนให้กับผู้ป่วยรวมทั้งญาติด้วยนะการที่เพียงแค่ไปรับฟังเนี่ยนะมันช่วยเขาได้เยอะนะและที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์ต่อตเราด้วย มันช่วยทั้งมันช่วยคนไข้ทั้งในแง่ของบรรเทาความทุกข์อาจจเป็นทุกข์การได้ซ้ำนะแล้วก็อาช่วยบรรเทาและที่สมาร์คือช่วยบรรเทาความทุกข์ใจมีผู้ป่วยคนหนึง่งแก่เป็นมะเร็งนะเต้านมแล้แก่ไปแล้วการใช้แสงและการฉีดคีมโมนนะตามมาตรฐานในตน่นครบคอส แต่แกก็ยังบ่นว่าแกปวดมากปวดปวดมากๆเลยแต่หมอแระพยาบาลสังเกตเวลาการเดินเนี่ยเหมือนคนปกติเลยแล้ววันหนึ่งเพียบบาลแล้วก็ก็เลยมานั่งคุยกับแกคุยนั็นชั่วโมงนะแต่ส่วนใหญ่คนไข้คุยมากกว่าและเรื่องที่พูดเรื่องที่คุยก็นีไม่พะนะ้นันเรื่องสามีและลูกนะที่ที่ไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลทิ้งเธอไปนะ เธอต้งโกรธนะท่้งน้อยใจนะสามีแล้วก็ลูกนะที่ไม่อินังขังขอบนะตัวเธอเลยพยาบาลก็ฟังอย่างเดียวนะไม่ได้แนะนำอะไรนะแต่ว่าฟังด้วยความตั้งใจนะไม่สอบมาแทรกอาจจะถามนะพอแกพอคนไข้ในะแกะ เล่าเสร็จเนี่ยแกคุยจบเนี่ยนะแกรู้สึกเลยนะว่าความปวนแกนมันหายไปเยอะเล ย, เ, ยเปีบาลไม่ได้ให้อะไรแกรไม่ได้ให้ยาอะไรแต่สิ่งที่ให้คือให้เวลาให้ความใส่ใจแล้วผู้ย่ยยาคือให้ใจใจที่รับฟัง คนไทยเนี่ยแกคุณมีความทุกข์ใจมากแลความทุกข์ใจเนี่ยมันก็ทำให้ความปวดกายเนี่ยหนักขึ้นความปวดกายจะมีแค่หนึ่งส่วนนะแต่ความมีความทุกข์ใจเพราะโกรธเพราะน้อยใจตัำใจก็ทำให้ความปวดนี่มันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าความทุกข์ใจที่มันทำให้ความความปวดนี่คูณ3าได้เลยนะรือาจจะมากกว่านั้นก็ได้ แต่พอมีพยาบาลมารับฟังพอเขาได้ระบายเนี่ยนะความทุกข์ใจก็ลดลงเพอะความทุกข์ใจลดลงเนี่ยมันเกิดจากความทุกข์กายความทุกข์กายยังมีอยู่แต่ว่าพอความทุกข์ใจมันหายไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออความปวด ม, ม, มันลดลงไปเยอะแล้วก็ไม่แน่นะความทุกข์กายก็ลดลงไปได้ด้วยพอรู้สึกสบายใจเนี่ยพอรู้ ส, สบายใจเนี่ย นะทางการแพทย์ก็พบว่ามันมีสารบางตัวที่หลั่งออกมานะโดพามีนนะหรือว่าเอ็นโดฟีนนะอันนี้มันก็ช่วยทำให้ความปวดกายเนี่ยมันลดลงด้วยนะแต่ว่ามันทำงานคนละคนละคนละระบบคนละพาเทกับไอยาระงับปวดนะแต่ว่าคนเหมือนกันงั้นเพียงแค่ฟังเนี่ย ฟังฟังคนไข้เนี่ยนะคนไข้ก็เขาก็าจะรู้สึกดีขึ้นได้โดยพ่อเท้าคนไข้ก็มีความทุกข์ใจมีคนไข้คนหนึ่งนะที่ที่ภาคเหนือนะเชียงใหม่จะเป็นมะเร็งแล้วก็โรงพยาบาลที่แกที่แกดูที่ดูแลแกอยู่เนี่ยนะ เขามีโครงการส่งจิตอาสาเนี่ยมาเยี่ยมไข้หน้าที่จิตอาสาคือนะมาเป็นเพื่อนเพื่อนคุยกับคนไขนะ้คนไข้เนี่ยสมมติชุดแก้วนะส่วนส่วนจิตอาสาชิดเจี๊ยบนะเจียบมาวันแรกเลยนะ เจ็่บอกคุยเลยนะคุยใหญ่เลยพวกแกคุยแทบไม่หยุดเลยนะหน้าที่ของเจ้ยบเนี่ยจริงก็คือฟังคนไข้ใช่ไหมแต่แกเนี่ยพูดอย่างเดียวเลยนะแต่คนไข้ดีนะคนไข้ก็นั่งฟังแกนะบางทีคนไข้ก็สักถามบ้างนะพอดีพูดออกนับประเด็นคนไข้ก็ตกเข้าประเด็น แกทำาบบี้เนี่ยทุกครั้งที่มาเยี่ยมก็คือทุกปฏิทินนะแล้วคนไข้นี่ก็ดีมากก็ก็ฟังไงนะแกมาประมาณสักสองสมเดือนได้นะแล้วแกก็ทำเหมือนทุกวันเหมือนกันเลยนะทุกครั้งเลยแล้วมีวันหนึ่งเนะี่ยแกก็มาหน้าตากยิ้มแย้มเลยนะแล้วแกบอกมาขอบคุณ ขอบคุณแก้วขอบคุณคนไทยขอบคุณเรื่องอะไรแกบอกว่าเนี่ยอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคือว่าก่อนที่แกจะมาเป็นจิตอาสาเนี่ยแกมีปัญหาเรื่องเรื่องจิตนะแล้วก็ไปหาหมอจิตแพทย์แต่จิตแพทย์ก็ให้แต่ยานะไม่คุยอะไรเลยให้แต่ยา แกก็เลยไม่ไปหาจิตแพทย์คนนี้เลยแล้วก็มาเป็นจิตอาสาให้ที่นี่แหละเม่อเชาเนี่ยไปถามหมอคนเดิมเนะีะหมอก็ถามว่าคุณไปรักษาที่ไหนมานะคุณดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วนะพลอยไม่ได้รักษาที่ไหนนะพลอยม า, อาาอมาเป็นจิตอาสาให้กับให้กับเจมมาเป็นจิตอาสาให้กับพลอยเจมให้กนะับแก้วเอองงหมดละ <laughs> ขอโทษนะ มีหลายคนแล้วเกิน <S <S <S อ่คืออ่าจิตอาสาเนี่ยนะเจบเนี่ยแกดีขึ้นมานะจากการที่มีคนไข้เนี่ยนะมานั่งฟังแกไม่ใช่นั่งฟังนอนฟังแกนะ <S 1> <S 1> <S พอมีคนฟังนะแกรู้สึกดีขึ้น นะและความความทุกข์ใจหรือว่าความซึมเศร้าหรือแะไรแย่เนี่ยก็ก็หายไปได้เยอะเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าการการฟังนี่นะมันมันเยียวยามันเยียวยาผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นการไปจิตอาสาเนี่ยนะเพียงแค่เราไปจิตอาสารับฟัง เราฟังคนไข้เนี่ยมันช่วยก็ได้เยอะนะแต่แนเวาเดียวกันเนี่ยมันก็ส่งผลต่อจิตใจของผู้ที่เป็นจิตอาสาได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราจะเพราะถ้าเราจะตั้งใจฟังเขาจริงๆเนี่ยนะ เราต้องใส่ใจการฟังที่ได้ผลเนี่ยเราต้องใส่ใจใจเราต้องว่างหว่างที่คุณฟังถ้าคุณคิดนู่นคิดนี่นะคุณไม่ได้ใจคุณไม่ได้อยู่กับเขาเนี่ยนะคนพูดเขาก็รู้นะว่าคุณไม่ได้ฟังเขานัลนมันก็ไม่ช่วยมันก็ไม่ช่วยใครเลย คนฟังก็รู้สึกเสียเวลาส่วนคนพูดก็รู้สึกว่าไม่มีใครฟังเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามตั้งใจฟังเขาเนี่ยนะมันจะเป็นการฝึกเราในตัวนะให้ให้มีสตินะให้มีสติอยู่กับผู้ที่กำลังอยู่ข้างหน้าเราอยู่ต่อหน้าเรา และการฟังเนี่ยนะมันต้องมันมีฟังฟังเนี่ยฟังเพื่อที่ได้เข้าใจเขาอันนี้สาคัญมากการเข้าใจมันมีเข้าใจอยู่สองอย่างนะคือเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่เขามีเหตุผลอะไรนะเวลาใครพูดกับเรามาเนี่ยเราก็ต้องจับประเด็นได้เราก็จะรู้ว่าเขา ก, กลังเขาอยากจะบอกอะไรเราอะไรคือความคิดของเขา นะเข้าใจเหตุผลของเขานะซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเวลามีการทิปปลายถกเถียงกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนฟังเนี่ยจับประเด็นไม่ได้เพราะคนพูดเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะอันนี้แสดงว่าไม่ไม่เข้าใจในระดับของการไม่เข้าใจในหลักของเหตุผล ไล้เข้าใจในระดับของความคิดนะเข้าใจอย่างที่สองคือเข้าใจในระดับที่ลึกคือเข้าใจความรู้สึกของเขานะอันนี้มันมันมันเอ่อเข้าใจความคิดเนี่ยเราต้องคิดตามเราต้องใช้หัวในการแยกแยะจักประเด็นนะ แต่เข้าใจอย่างที่สองเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเขาเนี่ยมันต้องใช้ใจมองใช้หัวใจไรือ่ใช้หัวสมองนะคนที่เก่งในการคิดเนี่ยจะเข้าใจระดับแรกนะเข้าใจว่าเขาคิดอะไรเขามีประเด็นอะไรแต่ถ้าใช้แต่หัวสมองนี่ไม่ใช่หัวใจเขาจะไม่รับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะอะไรคือความรู้สึกที่มันอยู่เบื้องหลัง คำพูดหรือเหตุผลของเขานะออย่างที่สองเนี่ยนะมันมต้องใช้ใจที่เปิดกว้างนะต้องอาศัยใจไปสัมผัสใจเอานั้นเรียกว่าใจใจต่อใจใจถึงใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่นึ้งต้องอาศัยสติต้องอาศัยอาจจะเรียกว่าความ ความช่างสังเกตก็ได้แต่เราไม่แค่สังเกตด้วตามสังเกตด้วยอย่างอื่นด้วยอาตมาพบว่าคนที่ทํางานในโรงพยาบาลทํางานกับคนไข้จานวนมากเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยยังมีน้อยอยู่หรือว่าหายไปเลยน นังที่เคยบอกว่าทําไมจิตอาสาหลายคนเนี่ยเข้าถึงรู้สึกว่าเข้าถึงคนไข้ได้ดีกว่าเพราะว่าเขาสามารถจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนไข้และที่เพียบบาเนี่ยเข้าไม่ถึงหรือว่ามองไม่เห็นทำไมเคยไปอบรมประจชาชนสงบที่ที่โรงบาลหนึ่งทางภายอีสาน ว่าสุดท้ายนี่ก็ให้พยาบาลทุกคนถอดหมวกพยบาลแล้วไปไปจิตอาสาไปเยี่ยมคนไข้ที่ไม่ได้อยู่ในหวอดของตัวนะสีห้าทีก็กลับมาก็มีการมารายงานว่าได้พบะไรบ้างก็มีคนก็มีพยาบากะบอกที่ได้ได้ ไ, ดไดเปเยี่ยมคนไข้ คนไข้นี้สึกเนานะพีเชียตอนก็ถามว่าเออแล้วตอนที่ไม่ได้เป็นจิจอาสาเนี่ยเป็นพยาบาลเนี่ยเคยสังเกตว่าคนไข้เนี่ยเงาเคยนั่งนึ่งยืนที่สักพักนะนั่งที่สักพักแล้วบอกไม่เคยสังเกตเลยเป็นพยาบาลไม่เคยสังเกตว่าคนไข้เนานะเพิ่งมาเนี่ยวันเนี่ยเพิ่งเห็นคนไข้เงา ทำไมทำไมทำไมตอนเรียบนบาสไม่เคยสังเกตเลยคนไท่นี่เงาอาจจเป็นเพราะว่าทำแต่หัตการหน้าทการเนี่ยก็คือทำกับร่างกายแล้วก็ทำตามรูมทีนตามหลักโปรโตโคอลนะในหัวเนี่ยก็คิดแต่ว่าเออทำตามขั้นตอนนะในเรื่องการธรรมทการคิดแต่เรื่องโปรโตโคอลคิดแต่เรื่องเรื่อง เรื่องกายเรื่องขั้นตอนแล้วก็สนใจแต่เรื่องกายจะลืมสังเกตความรู้สึกของเขาในภาวะ ต, ตอนนั้ น, นเนี่ยคนพยาบาลคงสนใจโรคมากกว่าคนด้วยซ้ำสนใจร่างกายมากกว่าจิตใจสนใจโรคมากกว่าคนอันนี้เนี่ยอาจเป็นเพราะว่าภาระหน้าที่เนี่ยมันจกากัดนะ หรือว่าการทำเป็นรูทีนก็นะเลยทำให้มิติท่าจิตใจัหายไปจากการรับรู้ของเพียบบาลแต่พอถอดหมู่เพียบบาลปุ๊บเนี่ยนะกลับมาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะพอมนเป็นเพียบตอเป็นอาสาสมัครหรือจิตอาสาเนี่ยก็มีเงื่อนไขว่านะไม่ต้องไปยุ่งกับหัตถการในทสิ้นะ ตอนนั้นเนี่ยทีใจก็เริ่มเปิดที่จะรับรับรู้ถึงความรู้สึก ข, ของคนไขนะ้คนเราบางทีเนี่ยนะพฤติกรรมคนเรามันขึ้นอยู่กับสถานะนะพฤติกรรมคนเรามันขึ้นอยู่กับสถานะว่าตอนนั้นคุณอยู่ในสถานะอะไรเวลาคุณขับรถเนี่ยนะคุณอยากจะให้คนข้ามถนนเนี่ยมันข้ามถนเร็วๆไวๆนะแต่เวลาถ้าเป็นคุณเป็นคนเดินท้งถนนนะ คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไอคนขับรถต่างหาที่มันควรจะชะลอคุณจะขับช้าลงนะเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเดินข้ามถนนความอยากหรือว่ามุมมองคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเปลี่ยนสถานะถ้าคุณเป็นพ่อเนี่ยคุณเป็นแม่เนี่ยคุณจะคิดแบบหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นลูกเนี่ยคุณจะคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมในคนคนเดียวกันเนี่ย เพราะว่าอันนี้มั น, มนถ้าทำพุทธศาสนาบอกว่าเนี่ยคุณเป็นอะไรเนี่ยนะมันจะมีอุปทานผูกติดมาด้วยเป็นพ่อก็จะมีอุปทานแบบพ่อเป็นลูกก็จะมีอุปทานแบบลูกเป็นพ่อก็อยากจะให้ลูกเนี่ยเชื่อฟังพ่อเป็นแม่อยากให้ลูกเชื่อฟังแม่แต่ถ้าเป็นลูกก็อยากจะให้พ่อน้าฟังลูกบ้างใช่เวลาคุณทำพ่อคุณยุ่สซองคาญลูกมันไม่ฟังเราเลย มันไม่เชื่อฟังเราเลยแล้วคุณจะโกรธแต่บอกคุณเป็นลูกนีคุณรู้สึว่าเนยพ่อแมนไม่ฟังดังน้นเวลาเป็นพยาบาลเปจิตอาสาเนี่ยมันจะมีมันจะมีอะไรมันจะมีการรับรู้รวมทั้งทัศกติและค่านิยมที่แตกต่างต่อไปด้วยมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะตรงเนี้เราเรียกว่าภพชาติภพชาติเนี่ยนะทางภาษาเรียกว่าภพชาติ เกิดเป็นความสุขเป็นพยาบาลความสุขเป็นจิตอาสาเนี่ยมันคือพวกชาติอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันแต่คุณยังควรไปนสนใจแะเอาเป็นว่าเนี่ยพอจิตอาสาเ น, นี่มันทาให้มันทําให้ใส่ใจเรื่องของอ า, ารมณ์ความรู้สึกคนไทยมากขึ้นมันไม่มีภาระงานเข้ามาบางังคับให้คุณต้องมารีบทําเร็วๆให้เสร็จๆไปเพราะว่าข้างหน้ามอีกเตียงหนึ่งอีกมีต้อง20เตียงนะ อันเนี้เป็นตัวอย่างว่าภาระเนี่ยความคาดหวังในชนะที่คุณเป็นพยาบาลความคาดหวังในฐนที่คุณเป็นอิศาสตรมันต่างกันแล้วก็มันก็มีผลต่อปฏิสัมพันธ์คุณไงต่อคนไข้ดัง น, นั้นการปิยาสต์เนี่ยมันมันมันหลายคนพบว่าเขาสามารถจะเข้าถึงคนไข้ได้ดีกว่าตอนที่เขาเป็นเพยาบาลร์ พรเขาเข้าเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกนะเข้าใจความรู้สึกแล้วมันในคนขไข้ก็ไม่ต้องการอะไรนะหรือสิง่งที่เขาต้องการเนี่ยคือความเข้าใจความเข้าใจาเธื่อพิจาราคู่หนึ่งนะหลังจากที่ได้รับการอบรมเรื่องประเจิญกับตาสงบอันนี้ที่ น, นคนปรปฐมเราก็สม่งมาเป็นคู่ ถ้ไปเยี่ยมคนไทยคนไทยเป็นคุณลุงแกปวดมากนะแกปวดทวารแล้วกแกก็ร้องครวญค ร, งรางลูกชายก็ตั้งอย่ ใ, ใกล้ก็ไม่ทําอะไรเจ้าสาวก็ไปแนะนําตัวว่าเป็นใครพ <c oughs> อแนะนาตัวเสร็จนะประโยคแรที่เธอถามก็ ค, คือว่าคุณลุงค้าที่วคุณลุงว่าปวดนี่นะนปวดยังไงคะ ว่าลุงนี่ชอบ ม, มากเลยประโยชน์นี่แกมาเกิดที่โดนใจแกมากเพราะไม่เคยมีใครถามแบบนี้เลยลูกก็บอกว่าให้อดทนหมอและพยาบาลก็ให้แต่ยาไม่เคยถามว่าแกปวดอย่างไรแกรู้สึกอย่างไรแค่คําถามนี้ว่าคุณลุงนะปวดอย่างไรนะคนไข้นึ้สึงว่ามันโดนใจเขามากเลยเพราะคนไข้ต้องการความเข้าใจต้องการคนที่เข้าใจว่าเขาทุกข์อย่างไรนะ ให้จิตอ า, าสารี่ช่วยได้มากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าการที่ถ้าเกิดในท้องเดียวกันเนี่ยเมื่อคุณเปิดใจรับรู้ตรงนี้เนี่ยนะรับรู้เขาวทวกเขาเนี่ยเมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้นแล้วเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะเยียวยามันก็จะช่วยทําให้จิตใจนี่นุ่มนวนมากขึ้นด้วยนะเมตตากรุณาทาให้เราอยากทําความดีเมตตากรุณาทําให้จิตใจเราชุ่มชื่น แต่การที่ทํางั้นได้ก็ต้องมีสตินะอยู่กับคนไขนะ้ถ้าเราเป็นจิตอาสาเนี่ยมันก็ต้องฝึกให้เราเนี่ยเป็นต้องมีสตินะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนไข้และมีสติพอที่จะรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยพอมีแม่ตากรุงนาขึ้นไปแล้วมันเกิดความผูกพันคนไข้นะคุณก็ต้องรู้จักวางด้วยนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ถ้าคุณมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์นั้นนยก็จะอาจจะอา จ, าอาจาทาให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดใจรับรู้ความทุกข์ของคนไขยได้เต็มที่ก็ต้องก็ต้องรู้จั ก, ก, ว, านะจากวางนะจะวางแล้วก็ต้องรู้เท่าทันว่าตอนนี้มันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นในใจนะไม่ใช่ไม่มีอารมณ์นะเราอารมณ์เนี่ยเราไม่ควรสกัดกัน้นนะแต่ว่าเราก็ ต้องรู้ว่าเมื่อใดมันเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้นะไม่ปล่อยให้มันครอางจิตใจนะจนกระทั่งเป็นอุปษะนะต่อการเยียวยาช่วยเหลือคนไทยนะ บ, บางครั้งเนี่ยนะไม่ใช่บางครั้งเนี่ยจำเป็นมากที่เราต้องเวลาเรารลบฟังคนไข้เนี่ย ก็พร้อมรับฟังเป็นที่นะแต่ว่าใจเราก็ต้องเหมนกับเหมือนกับกระโถนนะกระโถนที่ไม่มีไม่มีก้นนะอาจารย์ครกระโถนก้นรั่วมีคนปรึกษาอาจารย์กำพลเยอะอาจารย์กำพลน้องบุ่นุ่มเนี่ยเป็นแกเป็นคนทิการเนี่ยทีการเนี่ยช่วยเตือนแทบจะไม่เคยได้เนะแต่ว่ามีคนมาปรึกษาหาเรือเยอะนั่แต่แกก็ ยืนยันแจ้สายแล้วก็ให้คำให้คำปรึกษาแต่ส่วนใจ่แกไม่ได้ทำอะไรนอกจากการรับฟังเพราะคนก็ถามว่าโอ้แกรับฟังคนมากมายแกไม่เครียดเลยนะแกก็บอกว่าเนี่ยก็ผมก็ทำใจเหมือนกับก ร, ก, รกระโถนก้นรัวนะใครจะทิ้งอะไรลงมานะก็ไม่เคยเก็บเอาไว้นะก็ปล่อยไปปล่อยไป เตือนใจเสมอว่าเป็นปนัญของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเดีย๋ยวไปยึดติดถือมา ก, กับมันมากจากนกระทั่งเป็นเป็ น, ปนกระตุ่มกับมันจต่ไม่ฟังโดยบางคนหลายคนเนี่ยคิดว่าทํานั้นได้ต้องคือๆว่าไม่ฟังเลยนะไม่ได้ยินเลยไม่ใช่ฟังฟังใส่ใจแต่ว่าก็พร้อมที่จะปล่อยวางถึงเวลาให้คาแนะนําก็ให้แนะนําด้วยความเข้าออเข้าใจนะ จะทำนี้ได้มันก็ต้องนะต้อง้มันต้องฝึกใจเรานะฝึกใจของเราให้มีสติให้มีเมตตาแล้วก็รู้จักเที่ยปล่อยวางเพราะฉะนั้นนการเป็นจิตอาสาเนี่ยนะอาจะเป็นจิตอาสาเพื่อการเพื่อการรับฟังเนี่ยันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลง ข้างในจิตใจของเราได้นะจะถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้นะเราก็จะทําหน้าทีน่น ไ, ไม่ได้ดีพอเช่นเราไม่มีสติกับคนไข้นะเรามีโผล่อยู่ในหัวตลอดเวลาเวลาที่จะเยียวยาคนไข้เวลาที่จะรับฟังเา้ามีโผล่ว่าะอะไรบิด้วต้องช่วยเขาใ ไ, ไดนะ้พอมีโผล่ที่จะช่วยเ้าให้ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะรับฟังกขาด้วยใจที่เต็มร้อยนะ เมื่อเรารั่ฟังเขาไม่ไม่เต็มที่เนี่ยคนแะพทก็จะรู้สึกได้ว่าเรากำลังเมื่อยลอยนะมันก็ทำให้การฟังของเราเนี่ยเนะจียวยาเขาได้ได้น้อยลงนะั่นการฝึกใจของเราเนี่ยให้มีสตินะและขณะเดียกัน ก, นก็ให้รู้จัก ปล่อยวางไปพร้อมๆกันที่จริงมันไปด้วยกันนะสติขอการปล่อยวางเพราะหน้าที่สติหนหน้าที่อีกหนึ่งของสติคือการการรู้ทันเมื่อใจไปยึดติดถือมั่นกับอะไรสักอย่างหรือเมื่อใจไปแบบอะไรเมื่อรู้แล้วเนี่ยมันก็จะวางเพราะการยึดมันเกิดขึ้นเมื่อจิตหลงเมื่อจิตลืมเมื่อลืมตัวเมื่อลืมตัวเมื่อไหร่เมื่อเราลืมได้เมื่ก็จะวาง อันนี้เนี่ยถ้าถาทํานี้ได้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังประโยชน์แก่คนไข้ส่วนประโยชน์ตนคือประโยชน์แก่เราซึ่งเป็นผู้รับฟังนะอย่างไรก็ตามเนี่ยประโยชน์ตนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้นะธรรมาุตรว่าขั้นตอ น, นที่สำคัญนะก็คือการไข้ครวน การที่มีเวลาใคร่ครวนนะคร่ครวยเพื่อรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในหรือไคร่ครวยว่า ม, มีอะไรเกิดความเปลี่ยนแปลงข้างหนหรือเปล่าเนี่ยมันช่วยได้การใคร่ครวยก็ทาแต่หลายอย่างนะแต่ว่ากระบวนการที่จะช่วยได้คือการการแลกเปลี่ยนกันการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าเรามี เมื่อเราเปจิตอ า, าสาเสร็จเรามานั่งร้องวงคุยกันนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะระบายบ้างบนบ้า ง, า ง, างก็ไม่เป็นไรเรื่องธรรมดาเพราะว่ากลุ่มหน้าที่หนึ่งของกลุ่มก็คือการรับฟังเพราะจินอ า, าสาก็จะมีความทุกข์นะความเครียดอันนี้ก็ธรรมดาเพราะเราเป็นพลเมือแต่ว่าการที่มีกลุ่มนะ มาช่วยรับฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยนะมันก็ช่วยผ่อนคลายความทุกข์ได้แต่ว่าหน้าที่ของกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เวทีที่เราจะได้ระ บ, บายไดมีคนรับฟังเท่านั้นแต่ว่าเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้ใคลายพ้วนกรคลายพ้วนส่วนเกิดจากการที่เพื่อนเนี่ยได้ได้เล่าได้เล่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วก็ทำอาจจะปลุกให้เราได้คิดอะไรบางอย่าง ประสบการณ์บางอย่างเนี่ยเรามีเหมือนเขาแต่เราลืมนึกไปแตนน่พอมีเพื่อนมาแชร์เนี่ยเออมันก็กระตุ้นให้นะเออใช่เลยรู้สึกแบบนี้นะนะมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เห็นตัวเองได้มากขึ้นหรือบางทีเราก็คิดต่อ ย, ยอดไปนะกระบวนการนี้เนี่ยกระบวนการแครครวนเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้บางทีอย่างเช่นที่าอาจารยเล่าตัวอย่างหลายๆคนที่พูดมาเนี่ยนะ เช่นคนที่บอกว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นทีแรกคนเมือนกัญญาแต่หลังจากที่ทำแล้วเขารู้สึกว่าเขาหมืต้นมาเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นความคิดแบบที่เกิดขึ้นเมื่อเขาได้ใคร่ครวญในขณะที่อยู่ในกลุ่มนะก็มีการแชร์รกันเสแล้วกลับมาดูตัวเองือกลับมาดูตัวเขาเองเขาก็เออมัมีความเปลี่ยนแปลงนะในใจเขามันมีความเปลี่ยนแปล ง, ปรงตรงทัศนคติเนะวลาจะมาทำกิจดาสามเนี่ยนะ ไม่ว่าทินาสาแบบไปช่วยโน้นช่วยนี่หรือว่าไปปลูก ป, ป่าไปทำกิจกรรมความเพ็นประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ขามไม่ได้คือการนั่งร้องวงคุยกันนะถ้าทำเสร็จไปเลยเนี่ยนะจะได้ประโยชน์น้อยประโยชน์วเองนะประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยทำเสร็จแล้วแต่ประโยชน์ตัวเองเนี่ยนะมันจะมันจะทำให้เกิดการตกผลึกได้ ประสบการณ์เราตกนได้จากการที่เราใคร่ครวญเช่นอลไรก็เพราะเออใช่นะเราคิดว่าจะไปให้ความสุขเขาแต่ที่จริงเนี่ยเราต่างหาที่เป็นฝ่ายได้รับความสุขนะเราคนก็จะเจ๊ตรงนี้แล้วก็เว่าเออใช่ความสุขมันไม่ใช่เกิดจากการที่ให้นะความสุขไมเกิดจากการที่เราเรารับนะความสุขเปจนการที่เราเป็นฝ่ายให้ด้วยนะถ้าไม่มกใคร่ครวญนั่นจะไม่เห็นตรงนี้นะประสบการณ์ที่ดีๆก็จะผ่านรอยไป การที่เรามาการที่เรามีกิจกรรมที่มามามีเวที แ, แลกเปลี่ยนกเนี่ยมันจะทําให้เราได้ได้กลับมาทบทวนได้กลับมาเห็นนะว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายคนก็เกิดความถูกใจขึ้นมานะเอ้เราเคชื่อว่าความสุขเนี่ยมันต้องคู่ความสบายนะโอ้แต่ทํางานนี่นมันเหนื่อยนะแต่มันมีความสุขฮนะได้เห็นเนี่ย ถ้าไม่ครค่ควรก็ไม่เห็นนะบางทีไม่ไข่ควรก็ไม่เห็นแต่ว่าพอใข่ควรเนี่ยมันก็จะเห็นและมันจะเป็นบทเรียนที่ที่จะตรึงแน่นในใจเวลาเหนื่อยเวลาท้อแท้เกิดควา้สุกว่าไม่รู้สึกปฏิเสธเพราะาออในนั้นเนี่ยมันมีความสุขที่แฝงอยูนะ่อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นธรรมะเหมือนกัจ ถ้เวลาจะาจัดโครงการฉลาดทาบุญเนี่ยนะพาคนไปไ ป, ไปจิตอาสาทํำนู่นทำนี่เนี่ยนะก็กระบวนการสุดท้ายที่ขาดเม่อไหรคือการที่กลับมาใครควรและพบว่าโอ้บุญมันที่ใจนั่นเองทําบุญเนี่ยต้องเกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ ต, ตนจิตอาสาก็เหมือนกันนะและตรงเนี้มันทำให้คุณจะมีพลังในการทํางานมากขื้นคุณจะมีชั้นท่าในการทํางานมากขึ้น เพราะคุณพบความเปลี่ยนแปลงภายในนะแล้วคุณจะสวมในการท้าทายว่าเราจะไปเจออะไรอีกในในเที่ยวต่อไปมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องความเสียสละไม่ใช่เป็นเรื่องความสึกภาระลําบากแต่มันการ เ, เรื่องความท้าทายนะแล้วก็ไม่กลัวสิ่งยากเพราะคุณรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยมันปล่อยข้ามมาเกิดการที่จะเจอสิ่งยากเจอลําบากแล้วข้ามมันไปได้ แล้วถึงจุดนี้เพาะว่าเราไม่ได้ข้ามอุปสรรคเท่านั้นนะแต่เราข้ามพ้นตัวตนของเรามันเป็การข้ามพ้นตนเองที่สําคัญกว่กาการข้ามพ้นอุปสรรคแล้วนี่คุณจะเพราโอโโมันจะเกิดความปิติมากเลยว่าเราได้ข้ามพ้นตัวเองไปได้ตัวตนตัวตนเดิมนี่มันก็จะค่อยๆเลื่อหายไปแล้วคุณจะเกิด ค, นะความสุขนะแล้วความสุขยิ่งๆหล่อนี้คุณได้ทํางานมากขึ้น ทำงานอะไรก็ตามในจิตอาสาเนี่ยนะมันจะทําได้นานนะก็ต่เมื่อคุณพบความสุขถ้าไม่มีความสุขเนี่ยนะมันทําแล้วก็ทำไม่ได้นานด้วยเป็นแต่ว่ามีตันหานตัวล่อเช่นเดินเดือนชื่อเสือหรือไม่ใชนั่นก็เพราะว่าทําเพราะว่าแงรงผลั ก, กเช่นยาไสใช่ไหมต้องฟันเงินต้องฟันรถต้องฟันบ้านต้องเลี้ยงลูกอันนี้คือแรงผักให้ต้องทํา ท่านพี่ร่วมันลาบากคนเราเนี่ยเราด้วยสองแรงนะจะทําแล้วก็ตามทําด้วยสองแรงหนึ่งแรงขัดสองแรงดึงดูดนะถ้าคุณส่วนใหญ่ทําด้วยแรงขัด ก, ก็คือความกลัวความทุกข์ความลําบากไอ้สองคือแรงดึงดูดคือว่าเห็นว่ า, าเห็นว่าเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีทำแล้วมีความสุข น, นะคุณก็เกิดแรงดึงดูดที่จะทําจริงนะั้นในจริงเนี่ย มันไม่ต้องรอความสุขข้างหน้านะถ้าคุณวางใจเป็นกุที่มีความสุขทุกขณะที่ทำแล้วความสุขมันจะหล่อแล้วให้คุณทําไปได้เรื่อยๆนะอาจจะทําได้นานทําได้ดีกว่าคนอื่นด้วยเรียกว่า ง, งานได้ผลคน <neighbourhood s. S 1> เป็นสุขเนี่ยก็เพราะว่ามันมีมันมีแรงจูงใจอย่างที่ว่า ม, มาแล้วคราวนี้เนี่ยก็ก็ทำให้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประสานกัน ทำประโยชน์ท่านแต่ไม่เกิดประโยชน์ตนอันนี้มันก็ทําได้ไม่นานนะอาตมาว่าจะพูว่าอย่าอย่าทําตัวเหมือนพัดลมนะพัดลมเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะมันทําให้คนอยู่ข้างหน้ามันเย็นใช่ไหมแต่ตัวมันร้อนนะแล้วถ้ามันทํางานมากๆก็นก็จะช็อตนะพัดลมเนี่ยเราสังเกตดูหูมันร้อนมากๆถ้าเปิดทั้งวันนะแต่ข้างหน้าข้างหน้ามันมีเย็นนะ แต่ตัวมันร้อนมันทําให้คนเย็นใจแต่ตัวมันร้อนเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราสามารถจะทําให้ใจเราเย็นได้นะในการที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่ท่านธรรมพุทาวัาสมบกเจ็นและเป็นประโยชน์นะที่ดีชีวิตที่สมบกเจ็นและเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ด้วยและสมบกเจ็นไป พ, พร้อมๆกันนะสมบกเจ็นคือเรื่องของข้อภายใน อาราาก็พอสมควรแล้วนะถ้าสมควรเนี่ยถ้าถ้าทุกพูดมาเนี่ย น, นมันก็จะทําให้เราตระหนักว่าไอ้จิตอาสาเนี่ยนะมันมันสามารถจะนําไปสู่การมีการเกิดชุมชนนะเป็นชุมชนที่ทําให้เกิดการเรียนรู้นะเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าต่างคนต่างทำเนี่ยชุมชนไม่เกิดแต่ถ้าเราร่วมงัน้าทำนะล่วมงันคิดล่วงหน้าให้ควรเนี่ยมันจะเกิดชุมชนในการเรียนรู้ขึ้นมา ซึ่งนะมันก็จะนำไสุ่คาพเปลี่ยนแปลงด้านไหนของเราด้วยขออภาษานะภาษานาะเรียนเขาเรียกว่าคุยจริงคุยนิดหนึ่งนะคะใครที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยรับตัวเองเป็นจิตอาสาบ้างคะของเหลือง เอาเงเนลงขาใครนะักตัวเองเป็นข้าราชาการบ้างคะยกมือยกมือค่ะนับเองเป็นข้าราชาการเนี่ยก็ก็สองอย่างก็ยกมือแล้วแล้วที่เหลือนี่เป็นอะไรกันคะเป็นอะไรกันคะงงงงเนาะพอดีเพื่อนเพื่อ น, น, นที่นั่งหน้าเ น, นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนจากเชยาปูเออเคยเจอหมาตุา้งไหมคะเคยเจอแล้วอ่ะ มอตุก็จะถามคําถามแบบนี้ซึ่งมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่าพอได้ยินปั๊กเนี่ยแล้วรับรู้ยังไงอะแล้วควรตอบนิดนึงได้ไหมคะขออีกชีได้ไหมคะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ได้เป็นการออกข้อสอบพอดีแบบแ yeah ย่ค oh, <please> ่ะก็ควิสเลยฟรูอะไรอย่างนี้นถามอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ยินคำถามแล้วถ้าใจอะมันบอกว่ามันใช่ช่วยยกมือเลยนะคะใครนับตัวเองว่าเราเนี่ย เป็นจิตอาสาบ้างค้าบยกมือค่ะอาลมค่ะใครนับตัวเองว่าเราเป็นผู้ให้บริการ น, นะคะจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ได้ค่ะยกมือค่ะขอบคุณค่ะฟังแล้วเนี่ยที่พระอาจารย์บอกอะ่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าเราอ่ะก็อาจจะแบบว่า ระหว่างให้บริการในฐานะพยาบาลในฐานะหมออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราอาจจะถอดหมวกเราแล้วก็ไปทำงานเหมือนกับจิตอาสาใครเคยมีประสบการณ์ว่าระหว่างที่เราทำภัธการก็ดีออดูแลแนละ้วซิ่งแครฉีดยาทำอะไรก็แล้วแต่แต่เราอะก็เคย อาจจะไม่ต้องแบบอยู่ดีๆลุกขึ้นมาถอดมวงนะคะแต่ไม่ถูกว่าใจเราอะ่ะก็ทำงานในฐานะจิตอาสาได้ด้วยขอมือค่ะเป็นชูอิวันรก็ขู่ค่ะอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์บอกว่าพอเราทำงานไปแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเกิดจากการกลงวนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะม้มะะีกลุ่มมค่ะมีกลุ่มมง ว่าจะมาเปิดวงกันในในบ โ, โตรครลที่มัตูจัดการอบรมมัตูก็จะเรียกตามภาะา์ง่ า, ายๆว่าวงเรื่องเล่าแล้วูุ้สนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือมีวงมีสังขามีคอมมิ c t i c e แล้วแต่จะเรียกมีวงมีกลุ่มแล้วก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันเพื่อสะท้อนเพื่อใครขลรวนกันใครมีวงแบบนี้ของตัวเองบ้างคะอือ อาจารย์ุ้ยเห็นแล้วนะคะว่ามันมีโจทย์ยังไงที่เดี๋ยวจะชวดพวกเราพาไปเรียนรู้ต่อนะคะธรรมบัญญายชาวมีเนี่ยเป็นธรรมบัญญายอันประเสริฐได้พระอาจารย์ได้แบบว่าโปรยให้เห็นภาพว่าแม้ว่าเราเนี่ยจะมีบทบาทในฐานะผู้ให้บริการแต่เราก็สามารถสร้างใจใช่ไหมคะให้เป็นจิตอาสาแล้วจิตอาสานั้นเนี่ยก็เป็นจิตอาสาที่จะนาไปสู่ การเป็นแปลงภายในเราสร้างความสุขทั้งคนตรงหน้าแล้วก็ตัวเราด้วยคิดว่าอันนี้มันเป็นยาที่เราควรจะต้องน้อมเข้ามาในระบบสุขภาพของเราไหมคะใครเห็นด้วยโอไหมคะอขออนุ ญ, ญาตแบบช่วยๆกันสื่อสารกันตรงนี้ตอนนี้ค่ะ คือเดี๋ยวกุ๊งจะมาขอทำมาบรรยายต่อเลยช่นี่นีเดี่ยวอเอาเขียนกับผู้สัมภาจาพระจาค่ะบายนี้จะมีาอนากาันก็เลยจัขอพระจา์ให้กรรมฐานกับทำไมเราต้องมาดูมงดูตัวด้วยมนันมีประโยชน์กับการที่เราจะเป็นจิตอสายการทำงัน การช่วยคนอื่นน่นงค่ะตอนนี้เลยเหรอสั้นๆค่ะจะเียนกำลังใจที่พูดวันนี้มัมีคำถามเลยใช่ใช่แป๊บหนึ่งได้ไหมค่ะยังๆ1 1ส0็ดครึ่งได้สิบอคุณค่ะพอาจารย์อยู่ถึง 11.30 อ็อย่างมากนะอย่างมากอโอเคค่ะงั้นงั้นขอบคุณตุ้นะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราโทษ คำขอของตุ้งเอาไว้ก่อน พ, พี่ตุยังยังอยู่ในโหมดนี้แหละว่าเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้หลายคนก็บอกว่าอเฮแล้วเข้าใจแล้วนะว่าเราเป็นทรูอินวันได้ 2. เราสามารถสร้างความสุขให้กับคนตรงหน้าแล้วก็ย้อนมาสร้างความสุขให้กับตัวเราด้วยใช่ไหมคะค่ะออนอกจากนั้นก็มีแบบใครฟังมาแล้วก็มีคำถามไหมคะมีคำถามหรืออยากแบ่งปันประเด็นที่พี่ตชวนพวกเราสรุป เีนไหมคะแชร์ขึ้นมาก็ได้ค่ะหรือถามก็ได้ค่ะคุณคุณหมออุ้ยน่าจะคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคือไม่ถามพี่ก็จะอย่างนี้แหละย่าเียวไม่มันอยู่ตรงนี้อ่ะมาเป็นหน้ามาให้ดูหน่อย ประกรณั่งหลับหรือเปล่าปรากรณ์จะถามเก่งนะขอสองคนเชาวนี้นักเรียนหน้าใหม่แต่น่าจะมีคำถามนะเชิญค่ะถามหรือแชรก็ได้ค่ะไม่ไม่ไมมาถามตะว่าเป็นความรู้สึกนะนะครับก็เป็นทายแรกที่ได้มาแบบนี้นะครับก็เออได้ได้ได้ได้ เหมือนเนมีความรู้สึกว่าเอาฮาร์ดทรายกับซอฟทรายเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็อยากทําให้มันอยู่ในสมดุลมากที่สุดในการทํางาน เ, าเป็นเป็นหมอะคระับก็เลยคงต้องเอาทั้งสองอันเนี้ยมามาบูรณาการรวมเท่ากันในการที่เอาไปทํางานแล้วก็สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในระบบแล้วก็พยายามทําอยู่ในองค์ปบาองตัวเองก็คือพยายาม transform ให้น้องๆไดได้ได้เรียนรู้ภายในของแต่ละคน โดยเอาวิธีที่ไม่น่าเบื่อถ้าพูดถึงธรรมะน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยก็จะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องเอาวิธีที่ให้เข้าใจง่ายเข้าถึงกับรุ่นน้องใหม่อย่างเงี้ยครับก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ตัวเองอยากแชร์เฉยๆครับหัอปกนะรณ์ัตตัวหน่อย ต้องเดินมาไม่เดินไม่ไปอาจารย์เป้าไม่ต้องเดินใหม่แล้วนี่้าแดีใจป้าตกงานั่งเรามีใครมาบ้างเนี่ยหอมมือนางรองสีแต่เอไม่ใช่ขอโทษบุรีรัมบุรีรัมบุรีรัมมาอย่อย่าูอะไรกได้ แช์ก็ดังนั้นก็ขอแชร์ว่าประเด็นที่พระอาจารย์พูดมามันก็มีความยากเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะมีหมวกของเราในฐานาที่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอนะครับ แต่ประเดีนี้ครั้งหนึ่งที่เคยไปอบรมกับเครืข่ายพุทธิกาเปนน็นเรื่องอ่าพาระถีแค่นะครับการระมีดกับความตายแล้วก็ทางเครืข่ายพุทธิกาก็ชวนให้เราไปถอนหมวกจริงๆนะครับโดยไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลน่าจะเป็นโรงพยาบาล ป, ปักทงใชยหรือเปล่าันั้เขียวผมจำไม่ได้ ปับตรงใจนะครับก็พอพอเราถอดหมวงจริงๆเนี่ยก็พะว่ามันก็มีความแปลกใหม่แล้วก็เห็นอะไรที่เราต่างไปจากเดิมตรงที่ว่าพอเราได้ไปหาค่าเตียงองใครแล้วเราไม่ต้องเป็นหมอรู้สึกว่ามันก็มันมันก็เบา ไปอย่า ง, งเหมือนกันว่ามันไม่ต้องมีภาระกดดันว่าเราต้องสัญญาว่าเราต้องประเมินว่าเราจะต้ผิดชอบเขาก็าไปง่ายๆเราก็ไปเทียวพราะเป็นอุนะชอบบ้านแคน ก, นก็รู้สึกว่ามัก็ง่ายดีนะครับแล้วก็ไปทำอตอนนั้นไปทำทองทองเละใช่ไหมครับพระจ่ า, จา ก, ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ถอนหัว อ, อันนี้ออก เราก็จะไม่ไม่กล้าทําแบบนี้เพราะว่าในความที่เราเป็นหมอแต่พอเราไปาคนะที่เราเอ่าเาก็เกตั้านโจทย์เลยว่าเราไม่ใช่หมอเราก็จะไปเดินไปเยี่ยมคนไข้ห่งคนแล้วเราก็ไปทาแล้วก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีๆว่าเราก็ได้ทําอะไรบางอย่างให้เขาโดยที่เราไม่ต้องมีกรอบมีอะไรของเราครับก็ก็แ บ, บ่งปันตัวเี้แล้วเมื่อกี้ เม่อี้อาจารย์ประกอบบอกว่าแต่จริงๆมันยากนะที่จะเป็นครูอินวันอันนี้พี่จะถูกไหมคะคนอื่นๆรู้สึกเหมือนอาจารย์ประกอบไหมคะว่ามันยากนะที่จะเป็นครูอินวันนี้พี่ตูกพูดคำว่าครูอิวันตัวเองเข้าใจกันแล้วเนาะใครรู้สึกยากเหมือนอาจารย์ปรณ์อบไหมคะอาจารย์ปรณ์ช่วยขยายคําว่ายากแล้วอย่ตูได้ยินจากเสามามาเต่าคิวได้ไหมว่ามันยากยังไง คือไม่มาเดินไปไม่ได้เห็นไหมยันนี่พี่เสาร์วันนี้ได้สาวันดี้คือเราก็จะมีกรอบของเราในการมองใช้มองคนไข้แล้วก็จะมีเฟรมในใจมีกรอบในใจว่าเราจะต้องทําประเมินนะแล้วเราก็จะต้องทุกคือต้องใช้สมองในการใไขกลัวว่าปัญหาเขาคืออะไรนะครับ เราจะสรุปปัญหาว่าอย่างไรแล้วเราจะวางแผนในการดูแลเขาอย่างไรช่วยเขาอย่งไรเราจะดึงใครมาช่วยนะครับที่มันยากก็เพราะว่าบางทีเราก็า จ, จะทาตามกรอมากเกินโด ย, ยเฉพาะทางเภสัชเขากลัวบางทีแล้วก็จะมีเช็คลิสอะไรต่างอย่างเช่น <c ười> ไปยี่บ้านเราก็จะไปจับอีโคเมสใช่ไหมครับ ถ้าเราเดินตามกรอบนี้เป๊ะๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ไ ด, ด, ด, ด, ด้อยู่กับคนไข้อย่างแท้จริงนะเพราะคนไข้เขาจะล่านอกเรื่องเสมอเขาก็จะเล่าอย่าที่เขาอยากจะเล่าอ่ามันก็จะพาเราไปอนอกกรอบอรแต่อะไที่เราวางเอาไว้ถ้าเราดิ้นตามนันเป๊ะนะกรอบที่เราวาง ใ, ใจเราก็จะเบรคเขาแล้วเราก็จะดึงเขากลับมาทางกรอบที่เราต้องการถ้าเขาล่ากเราไปนี่เรื่องเราไปสู้กว่ามัน มันเหนื่อยมันใช้พลังงา น, านเยอะการที่อ้อตอบไม่เข้าประเด็นสักทีหนึ่งเพราะว่าเรามีกลอตอยู่ในใจอะไรแบบนี้ครับซึ่งซึ่งบางทีผมก็ต้องถ้าจะให้เป็นจิตนาสัยแค่จีผมว่าก็าต้องวางกลอตและวิ่งลงบ้านแลว้วก็ฟังเขาจริงๆว่าเขาจะเล่าไปทางไหนหรือพาเราไปทางไหนนะครับซึ่งมันก็มันก็ไม่ง่ายที่เดียวสําหรับคนที่มีแนวทางหรือลิกลอตในใจนะครับของการเป็นผู้ให้บริการ ตอบกระดับว่ามันยากแล้วกรรมวัฒนการครับอาจารย์าานหนูชื่อสาวนีคะ่ะวินะคะมาจากโรงพยาบาลน้องเกี่ยวเป็นพยาบาลค่ะก็อยากขยายความเรื่องที่ทํำทูนวันแล้วมันยากหนูทํางานเกี่ยวกับการเวแลผูหป่วรยระยะสุดท้ายแล้วมีกรณีเคสหนึ่งคนไทยเป็นมะเร็งที่ยิงค่ะแล้วก็เจาะค อ, อแล้วก็ใส่ใสายให้หานักเสยาง แล้วให้มาโรงพยาบาลด้วยว่าปวดปวดเยอะใช้ยาแก้ปวดของโรงพยาบาลที่ตอนนั้นมีไม่ได้ค่ะเพราะว่าใช้ยาแก้ปวดแบบเม็ดมันมันไม่สามารถปวดได้เขาปวดมากจนมาโรงพยาบาลประจำประจําพอฉียาแล้วก็ดีขึ้นบ้านแต่ว่ากลับไปเราให้ยาตัวเดิมเพราะเราไม่มียาก็กลับไปบ้านเ้าก็ปวดแล้วเขาบอกว่าเขาต้องเอาหัวขคขวาเพื่อบรรเทาการปวดทีนี้เรา ตอนแรกไปคุยกับเขาก็ถามเนี่ยคะ่ะประเมินในการปวดแล้วก็พยายามช่วยแล้วก็จัดการในการปวดพอจะพักเริ่มควบคุอมอาการปวดได้แล้ววางแผนจะให้กลับบ้านที่นี้ไปปรึกษากับหมอหมอก็บอกว่าเราไม่สามารถเอา ย, ยานในรูปแบบที่จะให้คนไข้กลับบ้านได้คะ่ะต้องส่งไปโรงพยาบาลศูนย์พอส่งไปโรงพยาบาลศูนย์เราก็ติดต่อไปที่คลินิกเพนเขาก็บอกว่า ถ้าไม่ได้เป็นหมอจากโรงพยาบาลมหาลาัยที่เป็นเจ้าของไข้จะต้องทำดาวระบบวอให้คนไข้ไปโอเมกีตรงนี้กึ่นี้ก่อนที่จะมาตรวจได้เนี้ยค่ะก็เลยประสานกับพี้ว่าคนไข้เขาเขาเป็นเยอะเขาเขาปวดมาแล้วโรงให้มา ล, ลเราขันทนเพนแบบนี้แบบนี้ให้ยาแบบนี้คือจะขอยานี้ได้ไหมพี่เขาเลยตบรับปาดตกลมแล้วเ้าให้ไปวันพฤหัสที่จะถึงเนี่ยค่ะ ก็แบอธิบายคนณไขยแล้วก็เตรียมยาเตรยมอไรเพราะว่าเข้าไปคนเดียวไม่ได้พอไปแล้วก็ขอรถโรงพยาบาลไปส่งไปอะไเสร็จเรียบร้อย๊พอถึงวันไปคนบอกเขาว่าให้ไปตึกชั้นสองเขาเข้าใจว่าไปโรงพดาบาลชั้นสองแล้วเขาก็ไม่ได้ตรวจแล้วก็ไม่ได้ยากลับมาแล้วหมอกับหมอกับพยาบาลของวรงทยาน้ำเขียวนก็จะว่าๆๆแล้วก็มาว่าที่หนูว่าคน ประสานงานยังไงอย่าเ ง, งะะี้ยค่ะเราก็บอกว่าเราเตรียมไปนี่แล้วบอกกับมหาร้นนาแแ น, นแล้วบอกกับคนไข้แล้วบอกกับคนขับรถแล้วเอาไปเอามาเป็นคนไข้เอง ท, ที่ที่ไม่ไยพอเขาคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เพราะเขาเคยเจดตรงนี้มาก่อนโอ้โหแค่นั้นนะคะจ่าที่เคยเมตตาโอ้จ่าเป็นปีคะ่ะปีแต่เลยดา่าเขาเลยทำไม ยาวเลยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบโอ้โหเราเราก็หันหลังให้คนไข้คนไข้ก็หันหลังให้เราีาติก็หันไปสามด้านหมคำวอาสามพอพอพกลับมากลับมาที่นัสเตชันแป๊บนึงเออเราก็ชบบจะทำอย่างนี้เขาเขาก็ยิ่งไม่มีที่พึ่งแล้วยาวก็ยังไม่ได้ค่ะอาษาสารก็เลยเดินกลับไปใหม่ไปบอกเขาว่า ทำไมถึงไม่ไปอย่างที่บอกคนไข้บอกว่าไม่เชื่อว่าจะช่วยเขาได้โอ้เออคือแบบเขาคงไม่เชื่อว่าจะมีใครสามารถจัดการอย่างกว่าเขาได้จริงๆนะคะอาจารย์เราก็เลยคุยใหม่เนี่ยนะถ้ายอย่างนี้นะโรงพยาบาลเราไม่มีก็เลยคุยกับเขาหม่แล้วขอโทษนะที่ทําแบบนี้แบบนี้แต่ตอนนั้นมันโมโหจริงค่ะ เป็นหอคอยเนี่ยเข า, าวาาเราพอคัดนัหนาครั้งต่อไป น, นะคะเขาก็เลยไปตรวจแล้วก็ได้ยาในรูปแบบฟองที่เขาสามารถให้อาหารทั้งแต่ยาอได้ะค่ะแล้วก็กลับไปอยู่บ้านได้ะค่ะอาจารย์ถ่าจไม่ยากแต่ก็ทำได้สำเร็จใช่ไหมนะอาจเป็นเพราะว่าความตั้งใจของเรามากไปนะความปรารถนาดีเนี่ยความมิดมั่นถึงมั่น มันกลายความคิดมั่นถึงมั่นไปก็คงไม่ต่างยากลูกที่ป่าชนาดีกับพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นเบาหวานหรือว่าเป็นมะเร็งปอดแต่พ่ อ, อยังสูบบุรีแม่ยัง ก, กินข้าเหนียวทุเรียนนะฮโอ้พอลูกเห็นนะแม่แอบกินพ่อแอบสูงนะอุดายเลยนะใช่ไหมอันนั้นความรั้งเนี่ยแล้ก็ความป่าชนาดีอันนี้เราก็ต้องทำไงเราจะเราจะรู้เท่าทันว่าเนี่ย ให้ความเมตตาความคามปรารถนาดีเนี่ยอยให้มันยึดมันถือมันมากเพราะยึมัยึมาถึงมันเนี่ยมันจะมีตัวกูของกูเคยแทรกจะต้องทําแบบกูนะจะต้องทําอย่างนี้ตามที่กูคิดนะเนี่ยมันมีตัวกูขึ้นมาแล้วตรงนี้อหละที่มันทําให้ทุกเนี่ยเพราะว่าพอเขาไม่ทําอย่างที่เราเราคาดหรือว่าเราแนะนําเนี่ยไอตัวกูเนี่ยมันจะโมโหมากเลย ไอ้ที่โกรธนี่ไม่ใช่เมตตานะไม่ใช่เมตตามันโกรธแต่ตัวกูมันโกรธใช่ไหมต้องแยกนะอย่าไปคิดโอ้ยเม่ตามไม่เมตตาเมตตาเป็นโทษนี่ไม่ใช่เมตตานี่ดีแต่ว่าไอ้ตอนที่โกรธนี่มันคือตัวกูโกรธเพราะว่าไม่ทําตามกูไงใช่ไหมหรือว่าไม่เป็นอย่างที่กูคาดหวังอันนี้เราก็ต้องต้องรู้ทันสติมันช่วตรงนี้ไงต้องมีสตินะคุณดูแลอวโหตัวกูนี่มันกำลังชูคอแล้วนะเต้องพยายามไม่ต้องรู้ทันแล้วก็ไม่ ไม่ทาตามนะนการนั่นเพราะนี่การการที่เราถ้าเร า, ถ, า, เราถ้าเราเจริญสติแล้วเราเสติรู้ทันเนี่ยนะมันจะไม่เปิดช่องให้ไอตัวกูนี่เข้ามาเอาเราว่าถึงขั้นทําให้เราเนี่ยต้องต้องว่าตามที่มันสั่งมันสั่งให้เราว่าเราก็ว่ามันสั่งให้เราด่าเราก็ด่านะเนี่ยอันนี้มันมันแล้วเราก็ทุกเองใช่ไหมอม่นั่นสมาช่ว่าแต่ธรรมดานะแต่ว่าฉัน ถ้าเราถ้าฝึก ด, ดีถ้าฝึก บ, บ่อยๆเนี่ยมันจะมันจะไวขึ้นมันจะไม่ไปยึดมั่นถึงมั่นแบบ น, นั้นก็ก็กชื่นชมนะเพราะว่าได้ได้ได้ตั้งใจทําคือทําผิดแล้วเนี่ยพลาดแล้วก็ยังมาขอโทษเอตาตมาว่าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิศศน่งที่คนไข้เขาเขาคงคิดไม่ถึงนะว่าจะมีเพียรมาขอโทษแล้วพอเราขอโทษแล้วเนี่ยเขาก็ฟังเราง่ายๆแล้วก็เชื่อ เขาจะเชื่อในความป่ารถืาดีของเราแล้วก็ทําอย่างที่เราแนะนำเขาคุณหมเบลแผนการอาจารย์นะคะ เ, เรืเองนคำถามนะคะคืออยากถามอาจางว่าคำว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันมีคำว่าถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่านะคะ คือเดี๋ยวจะลองเล่าตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็นะคะพอดีเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลเป็นหมออยู่ที่จังหวัดสระบุรีสักาอาทิตที่แล้ว เ, เนี่ยค่ะก็จะมีะช่วงเย็ยนลหลังจากเลิกเวลาราชการละค่ะทางนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลเด็กก็โทรโทรศัพท์เข้ามาแล้วบอกว่ามีคนไข้คนหนึ่งมาตื่นที่โรงพยาบาลแล้วเป็นคนที่แพทพนิจจวบมาอยู่ข้างทาง เทศบาลเขาก็ไปช่วยยกมาให้แต่ว่าไปช่วยอุ้มกันมาให้แล้วก็มาให้โรงพยาบาลดู ก, ก็ตัวที่โอพดีไปเนี่ยน้องนะก็เป็นน้องที่เพิ่งจบไปเลยคนะ่ะ3าเดือนแรกเนี่ยก็มาอยู่ก็เป็นน้องที่ดีนะคะกะ็ดูคนเข้เสร็จก็ให้ยาคกก่ะพลนายกเทศเทศมนตรีก็บอกว่าคนไข้ ย, ยังไม่มีบ้านอยู่คนนี้เป็นคนที่ไม่มีแบบประชาชนไม่มีแหล่งที่อยู่ะคะ่ะ ก็คือเป็นคนเล้ย่อนคุณหมอช่วยดูดูยให้หน่อยตอนนี้ผมกำลติดต่อกับทางพัฒนาสังคมว่าจะเอาคุณยายเนี่ยไปไปอยู่ที่บ้านพักนะคะก็ลงมาดูคนไข้พอดูคนไข้นี่แรกเราเห็นแล้วก็รู้แล้วว่าคนไข้คงกับไปอยู่ที่พักไม่ได้ครับไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อยั ง, ไงีไยก็คงต้องนอนโรงพยาบาลนะคือไม่ได้นะะที่เราเห็นคนไข้ามาคุ้มๆดูแลคนไข้ามานานหลายที่เราเห็นคนไข้แปหนึ่งที่คนไข่นอนที่ไอเนี่ย ซึ่งคนไข้ก็จะถูกนิชช้าให้กลับบ้านน้อง ก, ก็สัญงาให้แล้วนะคะดูคนไข้แล้วก็อืคงกลับไม่ได้นะคะดูแล้วก็หนึ่งคือเห็นมาว่ามีขาบวมคือตอนนั้ก็ตรวจเพราะว่ามีไม่ได้ทานอาหารเอาวินต่า ม, มากโปรตีนต่าง ม, มากนะคะแล้วก็มีแผลที่เป็นแผลน่าเสทีที่ไม่ดีเนะะียค่ะที่ขาไม่ดีแล้วก็โดยทั่วไปท่านกลิ่นทั้งเล็บทั้งอะไรเนะะี่ยคือเหมือนคนที่นอนอยู่ข้างทถนนน้องเนี่ยก็มาบอกว่า หนูดูแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่จะให้ช่วยแค่ไหนนะคะางที่ก็บอกว่าหนูก็ว่าคนไข้หนักแต่ไม่ทราบว่าจะให้ช่วยแค่ไหนนะคะคือสิ่งที่น้องน้องถามเราเพราะว่าคนไข้ไม่มีบัตรอะไรเลยนะคะแล้วก็น้องก็คิดว่าใ่อยาไปแล้วเดี๋ยวอาจจะค่อยนัดกลับมา ก, ก็ดูแลบอกว่าแล้วก็เด็กของผู้ป่วยยเต็มเยอะมีเตียเสริมอะไรอย่างเงี่ยบอกว่า มันจะเข้าไปในตึกก็ลาบากด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คุยกับพยาบาลในตึกแล้วบอกว่าอืมถ้ากลับได้ก็กลับไปก่อนเถอะนะคนไข้นะคะเพราะว่าคนไข้ก็เตียงเตงมก็เราดูแล้วก็คุยกันว่าคงกลับไม่ได้บอเดี๋ยวกลับไปแล้วก okay. so ็คงต้องกลับมาใหม่อีกเนาะแล้วก็แผงเตียงตัวอย่างนี้ก็คือทางการแพทย์เราก็คิดว่าคงต้องให้ยาแบบเป็นยาแบบฉีดทางเส้นเลือดดีกว่าให้ยาไปกินแล้วคนไข้ก็คงกินอะไรไม่ได้ด้วยนะคะก็บอกว่าก็ให้นอนหลับนะคะ ก็ให้นอนพยาบาลนะในระหว่างนั้นเคนไข้อยู่ในห้องฉุกเฉินมันเป็นแผนฉุกเฉินนะคะที่จะมีคนไข้เข้าออกแบบว่นวานเนี่ยจเพราะคือโรงพยาบาลที่อยติดข้างถนนเลยนะคะก็พยาบาลก็ช่วยดูแลในเบื้องต้นของความเป็นห้องฉุกเฉินแผนฉุกเฉินก็คือให้น้าเกลือความแรงต่าำนิดหน่อยนะคะก็ให้น้ำเกลือเพื่อให้ความดันขึ้นมาแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะ น, นก็ประสานกับพอผู้ป่วยนานซึ่งตอนแรกเนี่ยพอผู้ป่วยนายก็ทราบแล้วว่าคนไข้จะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเคหมือนกับว่าคุยมารอบหนึ่งนะคะแล้วก็คนไข้บบไนี่มีบ้านเ้ยค่ะ ก, ก็ก็เลยคุยกับขว่าย่งงก็คงให้อยู่โรงพยาบาลเนาะคนไข้คงกับไม่นได้นะะก็ช่วยดูแลเรื่องการติเชียอ้็ตอนนี้า ม, มีบา้านดยเนื่องจากที่ทานที่สบันประสานมากับเราคือ ม, มีบ้านที่อยู่คุณหมอช่อยล้างวก่อนสองสาวันแล้วเดี๋ยวจะประสานพัฒนาสังคมให้นี่ตอนนั้นก็ การจัดการเบื้องต้นเสร็จนะคะในใจเราก็คิดว่าส่งคนไข้แบบนี้เข้าไปในตึกเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระ ก, กับคนที่อยู่ในตึกก็บอกผู้ช่วยเหลือคนไข้ว่าเดี๋ยวเอาทาแบบที่เขาจะเช็ดตัวคนไข้นอ้อจะมาเช็ดไข้ลดไข้เนี่ยแล้วก็เอาเอาผ้าอะไรมาเช็ดให้กลิ่นให้อะไรเขาหายก่อนเอาก็ชวนน้องที่เป็นน้องหมอเอาที่ตัดเล็บมาตัดนะคะคือ ต้องการที่จะให้คนไข้พอเข้าไปอยู่ในหอผู้ป่วยเนี่ยลดภาระของการที่เข้าประสบแ น, นี้ลดภาระที่แบบว่าเห็นคนไข้ทรั้งแรกที่แบบว่าสภาพไม่น่าดูเนี่ยให้น่าดูขึ้นออพอดกีก็เสร็จปุ๊บ น, นะคะคนไข้ก็เข้ามาในึงทีนี้เรา ก, ก็ก็มีสิ่งที่เราได้คุยกันทางห้องฉุกเฉินกับทางน้องเนี่ยน้องเขาก็เหมือนกับนั่งคุยกันเล่นนี้ค่ะ้งก็บอก ว, ว่าแรกเขาก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะช่วยแค่ไหน ที่สองก็คือว่าเอ๊ะกิจกรรมบางอย่างเนี่ยมันมันมันควรจะทําในห้องที่บอกที่เรียกว่าเป็นห้องฉุกเฉินหรือเปล่านะคะหรือกิจกรรมบางอย่างถ้าเราจัดการดีๆเราไปทำที่เื่นได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยบางทางมันมีทําบางคงที่มันมาตาหน้าทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรบางอย่างแต่ะเป็นคำว่าท so ี่อยากจะทําเนน่อใจาือว่าจิตอาสากับคําวัตถุที่ถูกเวลาเนี่ยเราจะทําไปก่อนหรือค่อยตัดสินาหรืออะไรเงี้ยค่ะนี่เป็นที่อยากจะทำ คือมันแน่นอนอยู่แล้วนะจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องจะได้ผลเนี่ยก็ต้องดูว่าถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่านะแค่เจตนาดีไม่พอนะมันก็ต้องดูบริบท ด, ด้วยอันนี้ถ้าเราพูดถึงว่าผลที่จะเกิดขึ้นนะถ้าเราพูดถึงผลที่เกิดขึ้นนะมันก็ต้องคำํำนึงถึงบริบทนะแต่ว่าเจตนานเนี่ยเจตนานดีแล้วนะแะ่อย่งว่านะธรมะโดยธราก็คงให้ความเห็นไม่ได้นะว่าเอา่อ นะว่าจริงๆมันมีเงื่อนายอะไรบ้างในห้องอุ่นเฉยเนี่ยแตเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็เห็นว่ามันก็ดีแล้วก็น่าทำใช่ไหมเราควรทําแต่ว่าตากลก็ไม่ทราบเลยว่ามันควรต้องทําที่นั่นหรือที่อื่นนะแต่ว่าถ้าท่ฟังดูมันก็เป็นค่อนข้างจะจ ะ, จะต้องรีบทำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแลที่ท่านฟังดูถึงแม้ว่าจะทํา ท, ที่ห้องอุ่นเฉยก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย ถ้มันมีกรณีที่ร้ายแรงอะไรนีน้ค่อยๆน่าคิดแต่ดูแล้วก็ไม่ไม่ไมีอะไรนะที่ก็เป็นแต่ความอย่างของผู้คนซึ่งก็แตกต่างกันไปได้แต่แต่ามาคิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก็สําคัญอยู่แล้วนะทำแล้วก็ตามเรื่องบริบทเนี่ยนะเราต้องคํานึงเสมอนะจะจะเอาความปรารถนาดีอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือแม้แต่จะจะเอากฎระเบียบคนเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมควรจะตายอยู่แล้วยังต้องมามา เอาตามมากฎระเบียบเนี่ยแนละ้ก็ไม่ถูกต้องอยูนะ่แล้วไม่สามารถอบรูนควาดถ้าเราเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นอนะคะ่อาจราถึงไม่ใช่เรื่องของการเรียนค่อนข้นี้ว่าการการสแสดงออกหรือว่าจิตใจที่เป็นจิตอส า, าเนี่ยการะเทสคืออะไรหรือว่าอันนี้เป็นเรื่องอย่างที่เราจะมาคุยดยกัคือเรื่องการัะเทสะเนี่ยมันก็ อาตมาก็ยังคือมันขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาด้วยเพราะถ้ามันรุนแรงมากเนี่ยบางทีการละเทส า, าก็อาจจะอาจจะต้องเป็นเรื่องรองใช่เพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่ถ้าไม่ทํเนี่เกิดความเสียหายมากเนี่ยการะเทสาต้องเป็นเรื่องรองนะหรือแม้กระทั่งระเบียบบางอย่างก็ต้องถ้าคครเป็นาต ม, มากก็คือต้องต้อ ง, องวาง เจ้าตัวง่ายๆนะคุณคุณรู้คุณรู้เรื่องพนังเรือลมม่มไะมพนางพนางสุนันทาใช่ไหมเรือร่มใช่ไหมมหาเล็กก็อยู่แต่ไม่มีใครไปช่วยเพราะอะไรไไถูกตัวไม่ได้ระเบียบเนี่ยเนี่ยระเบียบ ม, มันมีไว้ว่าขนอกเตือนไปดิห้ามแต่ตัวเขาห้ามแตะตัวเวลาปกติใช่ไหมแต่เวลานี้เนี่ยนะก็ต้องไปช่วยไม่มีคนช่วยอ่ะนะเพราะว่า อันนี้ยบอกการลเทศเนี่ยนะบอกว่ามันไปแตะต้องไม่ได้ถกตัวนี้ก็ปล่อยให้ตายไง น, นะสมควรไหมเห่นไหมแล้วทุกคนก็ไม่มีใครผิดนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าการกระทํำนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นแต่ถามว่าในกรณีเนี้ยควรจะช่วยไหมก็ใครก็มามนะไม่สนใจแลนะคนออประเพณีช่วยไว้ก่อนนะตัวถึงคาที่พระอาจารย์เคยใช้ครับไม่รู้ว่ามันถูกไหมนะคบ อาจารย์ใช้คว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเวลาพูดเรื่องจิตอาส า, าอย่างที่หมอเบิร์ดเล่าเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องหังใจที่สัมผัสใจแล้วหมอเบิร์ดก็ไม่ได้สนใจว่าคนนี้แบบว่าอะไรอ่ะมีทะเบียนไม่มีทะเบียนอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันเป็นโปรโตโคอลเป็นกรอบที่เมื่อกี้อาจารย์มีคําว่าความคิดซึ่งเราจะยึดโปรโตโคอลแต่เมื่อไหร่ที่ใจของหมอสัมผัสกับใจของคนไข้เห็นเขาเป็นมนุษย์ แล้วหมอก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยอยู่รอดแล้วก็อยู่สุขสบายด้วยเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่เห็นมีอะไรที่น่ารังเกียจตรงไหนเลยเว้นแต่ว่าหมอไปแบบเกณฑ์คนทั้งเออร์มันน่าตัดเล็บสระผมขณะที่แบบมีคนไข้รอคิวอิมเมอร์เจนซีถูกไหมเพราะฉนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยหมองว่าเนี่ยคือขุนท่านแห่ของความเป็นจิตภาษาเทียบกับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะพระจารย์เทียบกับที่ทุกคนเห็นว่ามีคนไปแบบดูงาน จิตอาสาเนี่ยพอดีมีแบบว่าแนะนำคุณบุญอีกสักคนหนึงนะคะคุณบุญเนี่ยเป็นอาสาสมัครชูจี้ตัวจริงเสียงจริงค่ะแล้วก็ชวนมาในเวทีนี้ทุกคก็ก็เป็นจิตอาสาจิตอาสาตัวจริงแล้วก็อาจจะโอกาสได้แบ่งปันกับพวกเราในเวทีอื่นๆหรือว่าความหมายที่แท้ของจิตอาสาคืออะไรอยากเล่าว่าจะทรงสาสุขเองเนี่ยก็มีเหอพาผู้บริหารเป็นทำงานชูจี้กันใช่ไหม เราขับมาที่เห็นนะ่ะก็มาร้องเพลงกันนะ่ะร้องเพลงกันอยู่ตามหน้าโรงพยาบาลเต้นไปหมดเลยอะ่ะแล้วบอกว่านี่คุยงานจิตอาสาอันนั้นน่ยส่วนตัวเนี่ยต้องมองว่ามันคือมันคือคุณค่าเทียมที่เป็นรูปแบบาารูปแบบความรูปแบบไปเอารูปแบบมาแต่ที่แบบหมอเบิร์นเนี่ยต้ว่านี่คือคุณค่าแท้เลยอะ่ะเห็นความยากลำ บ, บากในตรงนะั้นที่ถามคือจะได้เอาไปคุยกับน้องต่อใช่ใช่ใช่ ก็เลยพยายามแบ่งตันความเห็นตัวเองเนาะและว้วก็แอบอ้างอิงธรรมะที่ถูกเปล่าไม่รู้ของอาจารย์ก็คือคุณค่าแท้ก็คือเรื่องใจใช่ไหมเรื่องความเมตตาใช่ไหมแต่คุณค่าเถียมก็คือเรื่องรูปแบบเรื่องโปรตโตคอลเรื่องกฎกติกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจอารย์แบบงสักหน่อยแบบมีเป็นขอเป็นสุดท้ายของคำถามช่วงนี้นะคะ ค่ะกอกาบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องของที่หลายคนบอกว่าแบบมันจะวางหมวกของภาระบทบาทหน้าที่กับภาระงานแล้วก็มาทํางานเล่นจิตอาสาเนี่ยบางทีมันมันเหมือนมันถูกตื่นมันมันต้องอาศัยพลังสติอย่างที่งที่านอาจารย์บอกอย่างเช่นไปไปนั่งเป็นคนเป็นคนไข้รอกายภาพเนี่ยไดเห็นน้องมีคนไข้คนนึงเี่ยเส้นเองคเขายืด แล้วเขาก็ไปถามพยาบาลหน้าห้องตรวจว่าเขาจะหายไหมพยาบาลก็ใส่ใจที่จะตอบนะแล้วก็บอกว่าไม่เออให้หมอบอกอไม่ได้หรอกว่ามันจะหายไหม่เพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองหมอก็พยายามทำตามหน้าที่ดีที่สุดแล้วนาจะมาโทษหมอไม่ได้แล้วก็ยาวคือตั้งใจที่จะอธิบายมาก แล้วก็รู้สึกเห็นคามเหนือยของพยาบาลคนนั้นแล้วก็ผู้ป่วยระยะก็หน้าซีดๆกลับมาแล้วก็เดินผ่านมาก็เลยถามคนไข้ว่าที่ถามพยาบาลอย่างพี่เนี่ยจริงๆแล้วรู้สึกยังไงพยาบาลก็เดินตามเราเลยเนี่ยมาฟังกําลังจะมาฟ้องเราอีกว่าพี่เนี่ยอันเนี้ยพอดีคนไข้ตอบสวนมาว่ากลัวกลัวไม่หายอ่าก็เลยถามว่าเพราะอะไรถึงกลัวไม่หาย ัาจะทํางานไม่ได้พยาบาลเขาก็หยุดเลยนะแล้วเขาก็ฟังแล้วเขาก็แบบหายใจแรงตอนนั้นก็สงสารพยาบาลด้วยเขาก็หายใจแล้งแล้วก็กลับไปนั่งในห้องของเขาคือจริงๆเขาก็เห็นว่าเขาก็พยายามที่จะทําตามหน้าที่ปกป้องเรื่องของหมอปกป้องเรื่องของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจแล้วก็อาจจะขาดทักษะตรงนี้ซึ่งถ้ามองในแง่ของ เออจริงๆความเป็นยนุษย์อย่างที่ผ่าอาจารย์ว่ามันมีอยู่ในตัวทุกคนแต่กลไกในการที่จะแบบเออเราจะไปทําให้ทุกคนมีทักษะการฟังอะไรเนี่ยมันเป็นโปรโตโคอลที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรที่จะแบบผสมผสานเรื่องเหล่านี้ทั้งเรื่องของการสวนสถานะบทบาทต่างๆแล้วก็การอยู่ในภารล่า ง, งานขณะนั้นการที่จะดึงสติกลับเข้ามาฟังคนไข้ย่ะค่ะอาจารย์ คือเข้าใจพยาบาลนะพยาบาลเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคนอาจจะไม่เข้าใจการทํางานของหมอและพยาบาลใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องพยายามคีใใ้แจเข้าใจว่ามันข้อจํากัดอย่างไรนะในการทํางานของหมอและพยาบาลนะแต่ก็ลืมมอไปในสวนว่าคนไข้เนี่ยเ้าถามเพราะอะไร เขาถาเรขากัวเขาวิตกใช่ไหมใชม่แต่ว่าหมอเนี่ยต้องการแต่ต้องการพยาบาลต้องการชี้ใจงเขาเขา้าใจว่าเรามีข้อจากัดอย่างไรก็จะมีสามการดิฟเฟนซีฟอยู่ในตัวใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงคนไข้ว่าคนไข้เขาต้องการเขากลัวเพราะนั้นก็ช่วยให้ปุยเคล า, ายความกลัวหน่อย ม, มันก็อตาตามาช่วยพยาบาลจะพูดได้เพราะว่าอของอันนี้เนี่ยเขามาถึงนี่แล้วเนี่ยนะถ้าเราพูดให้เขา ภายความกังวลเนี่ยเขาหน่าจะก็น่าจะน่าจะพูดได้แต่ว่าพอคิดแต่เพียงว่าอยากจะชี้ให้แจ้งเขาเข้าใจว่าเราคืออยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้คิดจะพยายามเข้าใจเขาว่าเขารู้สึกยังไงคำถามแบบนั้นตัวว่าความกลัวเนี่มันเป็นรากทั้งของคนไข้แล้วก็พยาบาล แล้วก็รวมทั้งเรื่องที่เมื่อกี้อาจารย์ประกอบพูดพูดถึงว่าโปรโตโคอลไม่ครบแล้วมันหยุดไม่ได้เนี่ยลึกลึงเนี่ยมันก็คือความกลัวหรือเปล่าที่เป็นรากลัวไม่ครบกลัวไม่สมบูรณ์กลัวทํางานไม่เสร็จกลัวไม่มีเลกอนเนยะช่วยได้ยังไงเรื่องเรื่องที่หมอประกอบพูดนะตะ ม, มาว่าเนี่ยกลับไปที่ออสเลอร์นี่ไปประวัติสามเล่มที่ตา ม, มาพูดเล้นะอ่า หมอประเสริฐเนี่ยเป็นคนเกียนคานาแล้วก็จะขึ้นต้นประโยคแรกเลยนะคำาออสเลอร์ว่าเมื่อบอกว่าเมื่อคนไทยพูดเนี่ยให้ฟังเพราะเขากำลังบอกการวินิจฉัย ใ, ให้กับแพทย์เขาจไหมไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยก็คือคำตอบที่จะทำให้เรารู้ว่าเขาป่วยเพราะอะไรใช่ไหมที่เขาพูดดูเหมือนว่าไม่เข้าไม่เข้าประเด็นเลยนะ มันนั่ น, น, นคือคมวินิสายของของเขาแล้วเราตั้งใจฟังเราจะพูดว่าทําทำไมเขาป่วยแล้วจะรักษาเขาได้อย่างไรนี่ออสเลอร์นะแกแล้วหมอประสเสร็จก็แพร่ิบายพูดกัค่ายพี่หมอประกอบเลยว่าตอนที่แกไปเป็นหมอนะโหแกลองคายคนไข้มาพูดอะไรเรื่อยเป่วยในชาวบ้านนะแต่แกมานั่งเืงอคิดสิ่งที่คนไข่พูดนั่นนะมันบอกมันเฉลยแล้วว่าจะรักษาอย่างไงหรือว่าเฉลยว่าป่วยเพราะอะไรนะ เพราะว่ามันมีมิติของสังคมและจิตใจในนั้นน่ะแต่ครั้นี้เราเวลาเราเวลาเราดูคนไข้เนี่ยเราจะมองแต่เรื่องมิติทางกายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าความพูมเขาเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าผลเอกซเลผลตรวจเลือดใช่ไหมแต่ถ้าเรามองความปวดมันมีมิติด้านจิตใจและสังคมเนี่ยนะไอ้สิ่งที่คนไข้เล่ามาทั้งหมดนั่นแหละมันบอกแล้วว่าเขาป่วยเพราะอะไรและมันก็บอกบอกในทีเล ย, เย ว, ว่าจะรักษาเขาอย่างไรใช่ัหม จากที่นี้เราถอดเราถอดสหัสข้อออกมาไม่ได้เนี่ยเพราะเรามีราติดในในโปรโตโคอลหรือว่าในในในการสืบสวนของเราว่ามันต้องมีเช็คลิสต์ใช่ไหมนักปละวัติคิดว่าเนี่ยถ้าเราต้องตระหนักสักหน่อยว่าความจเจ็บป่วยคนเนี่ยมันมีมิติ ด, ด้านสังคมและจิตใจเสมอเธอบทเ็นสันเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นหมอหมอใหญ่ของฮาวเวิร์ดเนี่ยนะหมอในฮาวเวิร์ดนแพทย์ฮาวเวิร์ดเนี่ยแกทําเรื่อง แกทําเรื่องความเครียดกับปิติผลต่อความเจ็บป่วยมานานซึ่งแต่ก่อนไม่มีใครยอมรับว่าความเครียดในจิตใจนี้มีผลต่อความเจ็บป่วยอะไรบ้างแกทำมาสามสิปีวิจัยมาสารพัดจนทั้งคนยอมรับแล้วตอนนี้แกเรียกว่เป็นที่ยอมรับมากแกสรุปเลยนะฟังตรงเลยนะว่าความเจ็บป่วยของคนที่ทําให้คนไข้ในมาหาหลัย ม, ม, มีมีมิิดจิตใจเกี่ยวข้องเนี่ยเจ็ดถึงถึเก้าสิบอร์ซใช่ไหมแต่ ความมิติด้านจิตใจเนี่ยคุณไม่สามารถจะดูได้จากจากเลือดจากสัญญาณเชีพหรือจากเอ็กซาเรย์คุณจะดูได้ยังไงคุณต้องฟังเขาใช่ไหมหรืออาจจะต้องไปดูที่บ้านเขาแล้วก็เห็นโอโ้โหเห็นบ้านเขาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยดูเลยนะว่ามันมีมิติด้านจิตใจเขาไปยังไงบ้างปัญหาคือเช็คเลสเนี่ยมันก็ดีว่ามันมันให้คําตอบได้เฉพาะเรื่องความจะบป่วยทางกายมันไม่ตอบเรื่องของมิติด้านกายและใจ คนไข้หลายหมอหลายคนเยาบาลหลายคนนะเวลาจะไปเยี่ยมผู้ป่วยนะแบบจิตอาสานะหลายคนจะถามว่าขอดูขอดูอะไรนะชาร์จขอดูชาร์จขอดูชาร์ทได้ไหมอัตมาบอกซื่อบอกไม่ต้องไม่ต้องทําไมต้องดูชาร์จนะใช่ไหมเพราะชาร์จมันมิตลึดได้นะเพราะมันจะทําให้เราเห็นแต่สนใจแต่เรื่องกายแต่ถ้าเราไม่ดูชาร์จใช่ไหมแล้วทํางานถึงจะรู้จากคนไข้ดี ถ้าเราไม่มีชาต์ทำไงฮะตอไปคุยต้องไปฟังเขาใช่ไหมและการฟังนั่นแหละมันจะทําให้คุณรู้จักเขาได้ดีขึ้นนะเพราะชาตมันบอกได้แต่แต่กายแต่ชาติมันไม่เคยบอกเรื่องของจิตใจเลยไม่บอกแม้กระทังครอบครัว ด, ด้วยซ้ําว่าเขาเขามีครอบครัวอย่างไรนะกำพร้าหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่มาเยี่ยมบ้างไหมสามีมาเยี่ยมบ้างไหมชาติไม่เคยบอกเลยนะฮะแต่คนที่จะบอกได้คือใครคือคนไข้เพราะเนี่ยแม้แต่แม้แต จะพูดถึงเรื่องการเยียวยาเนี่ยนะเราก็ต้องฝังคนไทยมากทีเดียวค่ะเช้า น, นี้ขอกรรมฐานพระอาจารย์แล้วก็ตุ้มบอกว่าพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยว่ามันสำคัญนะเพราะที่มาว่ามาม า, มาให้กรรมฐานตอนจะเริ่มปฏิบัติเนาเพราะผู้ไปตอนนี้เดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมค่ะต <c oughs> อนจะตอนจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยพู้ไปแล้วก็เริ่มไ ป, ไ ป, ไ, ปไปทําเลยใช่ปฏิบัติกีโมงนะบ่ายสองครึ่งอะ่ะ แล้วบ่ายครึ่งทำอะไรบ่ายครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลิกสิบเอ็ดครึ่งใช่ไหมสิบเอ็ดครึ่งถึงเที่ยงครึ่งบ่ายครึ่งก็เริ่มได้แล้วใช่ใช่ไหมหรือเปล่าบ่ายครึ่งถามพเจนงั้นเดี๋ยวตมากรมามามาบ่ายครึ่งค่ะแล้วก็มาอีกทีสามครึ่งโอเคใช่ตอนนี้ก็ทำใจสบายๆก่อนนะเดี๋ยวเพิงไปเครียดมากเดี๋ยว่ไปตีคน่อนคลายนะเรื่องคอส ทำใจสบายหายใจเ้ลึหายใจยาวอันนี้เริ่มให้แล้วครรมดาหายใจเข้าลึกพวกเราเต่ีตัวกล่าวพะจ